โปรจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพาโลกกิเลสของปุถุชนโดยพ่อท่านโพติรักเมื่อวันที่29มีนาคมสอง9้ายที่พุทธสถานสติยสุขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัดนี้ อาจะเริ่นทำพวกเราผู้ที่ยังใยสัจธรรมกันอยู่หน้าที่ลึกจิตที่อาตมาทำอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่พยายามจะทำอย่างไรที่จะชี้จะแนะให้พวกเราที่มากมายเหมือนกันเดี๋ยวนี้ที่ตั้งอกตั้งใจเนาะยสัจธรรมไยที่จะศึกษาเพื่อที่จะรู้ได้ความเข้าใจ ฟังให้รู้เหตุผลเข้าใจลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงทราบซึ้งถ้าจะมาพยายามได้ตมก็ต้องพยายามละนะพยายามที่จะให้ทราบซึ้งมันจะแรงมันจะฉีกผ่ามันจะวิเคราะห์วิจัยอะไรขึ้นไปให้มันชัดเจนแยกขาวแยกดำ หรือว่าพยายามที่จะพูดจะชี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้มันเห็นกระจักกระจ่างออกเป็นชัดชัดไม่ต้องคลุมเคลือไม่ต้องลังเลเนี่ยอัตมาก็พยายามบางทีมันจะแรงมันจะกระทบผู้ที่เขายังติดยังยึดเขายังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่หรือว่าพอยกเปรียบเทียบแล้วมันก็ดูรู้สึกว่ามันขมขีมัน เ, เปรียบเทียบหนักหนักตำตำหยาบหบในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามลงไป มันก็ดูเหมือนว่าพู้ที่เขามีสิ่งไม่ดีไม่งามนั้นๆมันถูกเขาว่าเป็นเป็นความต่ําในสิ่งที่เปรียบเทียบเปรียบมูเปรียบม้าเปรียบขี้เปรียบไอไลน์ต่าง ๆ, ๆนั่นนาสารพัดที่อาตมาก็พยายามกระทาเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงแหละนะว่ต้องทําและตมาก็ว่าตมาทํางานอย่างนี้เนี่ยพวกเราเห็นชัดและพวกเราได้ผลมาเรื่อยๆน่าสามารถ เข้าใจทราบซึ้งชัดเจนมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้ความเห็นที่มันช่วยช่วยศรัทธาเป็นความเชื่อถือแล้วก็เราก็เอาไปปฏิบัติตามบ้างแม้จะเชื่อถือที่มันถึงขีดถึงขั้นขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี่ยความเชื่อถือเหล่านั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยบางจางเลือกกิเลสมันไม่ชักไม่ยอมดิน้นเพราะมันรู้อยู่มันเกิดฮิริเกิดโอตปะ เกิดการละอายต่อภยัยต่อบาปต่อชั่วต่อเลวเอมันชั่วขนาดนั้นเชียวนะเชียวนะมันต่ํามันเลวอย่างนั้นเชียวนะมันก็เข้าใจเข้าใจชัดๆเนี่ยมันก็ระลึกก็ทําให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดจากพวกเราไม่เป็นละลาบละลวงในสิ่งที่มันเป็นชั่วเป็นเลวในสิ่งที่เราเองเราเข้าใจชัดแจ้งแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราหนายคลายหรือว่าละเลิกมาได้ก็ดีขึ้นมากขึ้นแต่อัตมากลายเป็นพระปากจัดนะ กลายเป็นพระที่รุนแรงกล่าวร้าวอะไรต่างๆเขาว่าต่างๆนานาซึ่งอาตมาเองอาตมาไม่มีปัญหาไดหรอกอาตมาเองอาตมาโดนว่าโดยเจตนาของอาตมาอาตมาก็รู้อยู่ว่าถ้าอาตมากระทําเช่นนั้นแล้วอาตมาจะชินอาตมาจะกลายเป็นคนที่เป็นคนปากจัดเรือว่าเป็นคนที่ถ้าไม่ได้พูดแรงอย่างนั้นแล้วใจของเราชอบไหม ใจของเราไปชอบว่าต้องพูดแรงๆนะเพราะคนฟังแรงๆแล้วก็ได้ผลได้ผลเราก็ชื่นใจดีใจคนฟังเราทราบซึ่งคนฟังแล้วเห็นจริงเห็นจังคนฟังแล้วก็เกิดได้ผลมากๆแล้วเราก็ติดใจย่ำใจที่จะพูดแรงๆนะั้นจัดยิ่งขึ้นจัดจ้านจับคายก้าวร้าวแรงขึ้นนับจะเป็นผลแรงร้ายขึ้นทัพทวีกลายกลายเป็นเราเป็นกลายเป็นคนก้าวร้าวแล้วเป็นคนที่ จ, จัดจานอะไรมากมายน่ยนะซึ่งมันมันก็ไม่สมฐานะสมณะเท่าไรเราจะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกหรือไม่อาตมาก็ต้องสองวนระวังตนเองต้องระมัดระวังอยู่นะราะนับวันเมื่อมีเวลาเมื่อมีอะไรอะไรมากมายขึ้นมาแล้วกระทำไปนานเข้าเขาต้องระลึกนะระลึกอย่างที่ว่านี่อยู่พราะเราก็นั่งฟังทำนี่ก็ฟังเพื่อที่จะให้มันสาบสนคือบางคนฟังแล้วที่อาตมาเคยพูดเคยกล่าว มันก็เรื่องเก่าวๆเดิมๆฟังแล้วก็เข้าใจแล้วละ่ะแล้วก็เบาๆยิ่งฟังยิ่งซ้าซากก็รู้แล้วละรู้แล้วละรู้แล้วละมันก็เกิดไม่ทราบซึ่งฟังแล้วก็เกิดไม่เพิ่มไม่ขยหบขยับรอยลึกรอยที่มันจะกระแทกเข้าไปถึงจุดถึงที่นะโดยเฉพาะเราแสดงธรรมมีนโยบายแสดงธรรมในการว่ากล่าวสิ่งไม่ดีตำหนิติเตียนเพื่อให้รู้ภยัยรู้โทษเราจะละอายต่อบาปนะ เราจะได้กิดทาเลือกละสิ่งอธตมามีนโยบายว่าไอ้ความชั่วความไม่ดีเนี่ยต้องรีบพูดก่อนถ้ามันมีอยู่ที่คนแล้วมันทําให้คนนั้นยังชั่วยังเลวต่อไปทำไมรีบบอกมันก็ไม่ดีส่วนความดีอยู่ที่คนนั้นแม่ก็ทําดีประมาณนี้เขายังไม่ทําดีเพิ่มขึ้นมันก็ไม่กลอะไรเพราะมันเป็นความดีแม้มันจะไม่ดียิ่งขึ้นมันก็ดีไปขึ้นขั้นตอนหนึ่งหนึ่งแล้วดีพอสมควรขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ เป็นภัยมากนักไม่เป็นบาปมากนักมันก็ยังพ อ, อะชะลอได้กันได้แต่ความชั่วนะั้นมันชะลอไม่ได้นะอยู่กับเรา น, านานเท่าใดแม้วินาทีหนึ่งมันก็ชั่วอยู่วินาทีหนึ่งสองนาทีห้านาทีอะไรมันก็อยู่ที่เรามันก็ออกบทบาทอยู่กับเราเรื่อยไปมันก็ไม่ทันการแล้วมันก็มีบทบาทปฏิกิริยา มีพฤติกรรมอะไรของมันอยู่เรื่อยเราจึงจําเป็นที่จะต้องรีบร้อนรีเร่งเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นกัตมาเห็นอย่างนั้นได้ทําอย่างนั้นกันมาเรื่อยแล้วพวกเราก็ฟังแต่เรื่องที่มันแรงแรงได้ร้ายไปเรื่อยก็ระวังอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเราอยกลายเป็นคนชินชาพอท่านท่านก็พูดที่พูดอย่างนี้แหละท่านก็พูดแรงแรงอย่างนี้ทุกทีแหละและร้ายงี้ทุกทีแล้ว เราฟังแล้วเราก็เคยเลยกลายเป็นชินชาไม่เกิดเตื่องไม่เคยบบทบาทไม่พยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาฟังแล้วก็เลยกลายเป็นการด้านชาก็ระวังเหมือนกันเราต้องสําเนียะสงวรผู้ใดมีหิริมีโอตปะคือผู้มีสํานึกมีความตระหนักว่าเอออันนี้ผิดจริงๆนะแล้วก็ต้องพยายามทําใจในใจให้ชัดเลยว่าเออถ้าเราไม่ละอายถ้าเราทําเป็นรู้แล้วก็ปล่อยเฉยรู้แล้วก็ปล่อยเฉย รู้แล้วยังแถมเราก็รู้ตนเองด้วยนะว่าตนเองก็มีสิ่งไม่ดีอันนี้แล้วเราก็ยังทำเฉยไม่สะดุง้งสะเทือนอะไรไปอยู่แล้วก็ไม่แก้ไขปรับปรุงไอ้อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เขาทาอะไรนะเพราะกกอยพวกเรานี่แม้จะมาฟังทำก็อย่าเอาแต่ฟังแล้วก็เอาแต่เฉยนึกด้านชากันไปอย่างนั้นต้องพยายามฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงสังวรตนความที่เราจะมีอาการ เป็นผู้ที่ไม่เป็นอารัตชีไม่เป็นคนไม่ละอายนะเป็นคนไม่ไม่เป็นคนไม่ละอายต้องเป็นคนมีฮิริโอตปะเป็นเทวดาการจะเป็นเทวดาหรือเป็นคนไม่กลายเป็นคนด้านที่ไม่ละอายอย่างนั้มันไม่ดีต้องเป็นคนที่น่าละอายเห็นสิ่งที่น่าละอายแล้วก็ต้องเกิดการละอายจริงๆซึ่งเราก็ต้องสังวรตัวเองไม่ใช่ทาไปกลบเกลื่อนแล้วก็ให้มันเฉยเมยกลกเกลือนเฉยเมย มาว่าที่ว่าทำวางเฉยให้มันได้นะมีสองสภาพนะสภาพหนึ่งเรียกว่าสภาพไม่รู้จักอายที่เรียกว่าอารัชีนี่แหละหน้าด้านจะแปลเป็นคําศัพท์ตรงๆว่าหน้าด้านสิ่งที่ไม่ดี น, นี่ยก็เฉยเฉไม่ไม่ไม่ไม่สะดุง้งสะเทือนอะไรแล้วจะหมายความว่าอุเบกขาวางเฉยการกระทําการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้ว่ า, วาเออสิ่งอย่างนี้ดีไม่ดีก็เอาหน่าอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่น มีอะไรก็ช่างมันเถอะมันชั่วก็อย่างนั้นแหละมันดีก็อย่างนั้นแหละเฉยเฉเฉยๆชยาการที่ไม่สะดุง้งสะดือสะเทือนแล้วก็ไม่รู้รสไม่รู้ฤทธิฤทธิชั่วริต ด, ดีอะไรเนี่ยอย่างชัดแจ้งละเอียดสุขุมประนีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีมโนธรรมสำนึกไม่มีมโนธรรมสังวรไม่มีมโนธรรมที่จะต้องมีจิตที่จะต้องโอ้ยิ่งมันหยาบแม้หยาบแม่หยาบ แรงๆหรือแม้หยาบน้อยๆแม้นวลไม่มากมายอะไรแต่เป็นความชั่วความไม่ดีที่เกิดสภาวะอย่างนั้นคือมาเล็กๆน้อยๆอยเราก็เห็นโทษเห็นภัยละอายเป็นคนที่แม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยก็รู้สึกละอายรู้สึกสำนึกมโนโต ท, ทำสำนึกอันไวมันโต ท, ทำสำนึกอันเป็นความรู้สึกที่จริงเลยาเออเราเองเรารู้สึกเดือดร้อนขึ้นไปไวๆเนี่ย อาการที่เราฝึกไม่ถูกเหลี่ยมฝึกไม่ถูกท่าจะเป็นความชั่วหรือความดีเราก็ทำเออเฉยช่างมันเทอนน่ะไปกระตุ้งกระเทือนอะไรเป็นทุกข์ไปวูบวาบกับไอความชั่วเล็กๆน้อยๆล้วก็เป็นทุกข์ว่างๆเลิกไปช่างมันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่วางๆมันก็รู้สึกว่าไม่ทุกข์แต่ความชั่วนั้นถ้ามันมีอยู่ที่เรา แล้วก็วางความอาการที่มันจะหิริจะอดตะปาะจะเดือดร้อนใจตัวเองที่ตัวเองมีชั่ ว, วก็กลายเป็นวางความทุกข์ที่มันเออไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเราชั่วมันมีมนก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็มียิทีตัวอยังงั้นแหละแล้วก็วางอาการที่มันทุกข์นั้นเสียสิ่งนี้เป็นสิ่งลึกซึ้งนะ เป็นสิ่งซับซ้อนลึกซึ้งอย่าไปทำเป็นเฉยเมยกับความชั่วความเลวความไม่ดีไม่งามโทษภัยอันนี้ประมาณแม่น้อยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่สังวรระวังนะมันซ่อนว่าเออเราอย่าไปเดือดร้อนดิ้นรนไม่ใช่ไปเดือดร้อนดิ้นรนเราอย่าไปถึงอาการวุ่วับโอ้ยอึดอัดขัดเคืองจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรก็อย่าให้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นเท่านั้นเอง แต่ว่าเราก็จะต้องมีซ่อนลงไปในมโนธรรมสำนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไม่ดีนะมันเป็นบาปเป็นภัยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะเป็นจะมีไม่ควรจะติดตัวเราอยู่ในกายกรรมก็ดีวัจจิกรรมก็ดีโดยเฉพาะในกิเลส ท, ที่มันอยู่ในมโนของเราในใจของเราไม่เป็นตัวกิเลสนี้จะต้องหาวิธีเข็นฆ่าสังวรระวังมันมีจะทําอย่างไรมันถึงจะหยุดไปพิจารณาก็พิจารณากันจริงๆด้วยปัญญาอันริง หรือจะพยายามให้มันอาการเหล่านี้อาการที่มันจะเป็นกิเลสเนี่ยมันจะต้องอยากอย่างนั้นปรารถนาย่า ง, งี้มันต้องจะเป็นอาการนี่ผูกพันอะไรติดยึดอยู่อย่างนี้จะทําอย่างไรให้มันฟอให้มันลดจางคลายลงไปต้องทําต้องทำอย่าทำเป็นเฉยเมยว่าวางแล้วแล้วก็ลื ม, ลมเลิกๆไปผ่า น, านอาการที่ไม่อึดอัดขัดเคืองในใจเฉยเฉยออกไปเท่านั้นไม่พอนะไม่พอนะจะทําแค่นั้นไม่พอเพราะเราต้องตามติด เหตุแห่งทุกข์ตามติดตัวผีร้ายเราลักษณะที่มันรู้ว่าตัวนี้เป็นกิเลสมันยังอยู่กับเรานะมันยังอยู่กับเราแล้วมันจะเกิดบทบาทอาการดุลดันให้เราเป็นทาาให้เราเกิดอาการเกิดกรรมเกิดกิริยาอย่างน้อนอย่างนี้อะไรอยู่ที่เป็นทุจริตอกุศลต้องบุญยาประมาทเป็นอันขาดนี่เป็นเรื่องลึกซ้อนนะเพราะฉะนผู้ที่เป็นอารัชชีเป็นผู้ที่หน้าไม่อาย หรือหน้าด่านไม่ละอายต่อบาปต่อภัยอะไรนี้เป็นต้นนี่เป็นความหมายที่ว่าคล้ายคล้าคืนกันกับ ว, ว่าวางได้เฉยได้อุเบกขาไม่สะดุ้งสะทือนอะไรเฉยเฉยอันนี้เป็นตัวร้ายกาดเป็นตัวที่ไม่สะดุ้งสะทือนประเภทมิจฉาส่วนความไม่สะดุ้งสะทือนความมั่นคงแข็งแรงที่เรียกว่าความตั้งมั่นอนเนินชาไม่หวั่นไหว อนเนนชาอนเนญชากะละัลัรชีเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยอันหนึ่งมันดีสุดอีกอันหนึงมันเลวสุดไปคนละตรงคนละขั้วพระอนเนญชานี่หมายควาว่าเราเรียนรู้ด้วยสัจจที่ซ้อนลึกเมื่อเรากระทบสัมผัสสิ่งที่ยั่วยวนเหล่านั้นเราไม่เกิดอาการกิเลสเลยไม่ใช่ไม่ด้านฉามันไม่มีกิเลสต้องรู้ละเอียดตรงที่ว่ากิเลส น, นี่มันไม่มีสภาพกิเลสเป็นอย่างไรต้องจับให้มั่นเลย อาการของกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอุปท า, านต้องรู้หน้าตามันชัดแล้วก็มีวิธีการที่จะตัง้งศีลตั้งธรรมสังวรระวังไม่เผลอไม่พไพรหรือแม้จะเผลอตัวก็ต้องรู้ไวมีมุทุธาตมีมุทุภูตเเต่มุทุธา ต, ธธา ต, ธธาตแววไวจิตมันพอแตะต้องสัมผัสตาหูจมกูกลิ้นกายด้วยสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยที่มันจะให้เกิดอันนี้ต้องเร็วรู้ทันว่าเออเกิดอาการเกิดอาการแล้วก็ต้องรู้ว่าเกิดอาการเราควรยินดีที่เรารู้ว่าเรามีกิเลส มันจะเสียใจบ้างก็เสียเสียใจด้วยกิเโอตะปาของเราแตเออเรากิเลสยังมีอยู่หนอแล้วเราก็ปล่อยวางอาการแต่อย่าไปประเภทที่เรียกว่าเฉยเมยแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ทำอะไรต่ออาการที่ไม่ปฏิบัติต่อไม่พยายามสังวระาวาังด้วยพิจารณาหาเหตุาหาผลหาความไม่ดีไม่งามเป็นวิปัสนาธุระหรือจะทำให้อาการนี้มันมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปดับไปไม่ใช่กดข่มเท่านั้น แต่ว่าเอออัการนี้มันจะต้องลดลีลาลดบทบาทของมันลงอัตมาก็ได้แต่พยายามใช้ภาษาใช้ภาษาที่สือ่อคุณไปไ ป, ไปพิสูจน์แล้วไปกระทําเองปฏิบัติเองเพราะการมีผัสสะเป็นปัจจัยตามหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องกระทบสัมผัสในสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นไปตามกาลเทศะเราก็ไม่ใช่เป็นคนอวดดีปวดดีจะเป็นลุยกิเลส เพื่จะทำเป็นตัวเป็นผู้แข็งแรงลุยไปในดงกิเลส ท, ที่เราเองเราเคยติดเคยยึดอะไรมากมายก็ไม่หามอย่างนั้นเป็นทีเดียวหรือว่าเราเองเราก็ไม่ทําตนทําตัวที่ก็ไปคลุกคลกีเกี่ยวข้องและแทะอะไรอยู่ก็อย่างนั้นทีเดียวแต่เราก็มีมีเวลามีกาลที่เราจะทํางานทําอะไรไปตามธรรมดาธรรมชาตินี่แหละพอทํางานทําการอะไรมันก็จะไปผ่านไปสัมผสัสไปประสบไอ้สิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราก่อเกิดกิเลส มันจะเป็นข้อสําคัญเราจะต้องสังวรระวังตัวเสมอแล้วก็มีความแววไวที่จะรู้่มุทุพูตะมุทุภูตตตตเตนีิมุทุพูตเนี่ยจิตมันแววไวชัดเลยมันรู้ทันแล้วมันก็มีความซักซ้อมมีการสังวรระวังซักซ้อมในการที่จะใช้มรรคองแปดด้วยวิธีการโพธิปักเยธรรมที่เราจะให้กิเลสนี่มันฝ่อหรือมันจางคลายมันลดลดน้อยลงลดน้อยลงได้มากเท่าไหร่ก็เป็นกรรมวิธีที่เราทําของใครของมัน เป็นปัจจิตตังเป็นอิทธิวิธีอิทธิวิธีที่สามารถมีปาฏิหารหรือมีมโนมยิทธิมีวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบในการกระทําองค์วิชา8ประการนะวิชา8ปดนะวิปัสสนาญาณระยถานพุทธญาณมโนมยิทธิและอิทธิวิธีสตัวเนี่ยเป็นตัวบทบาทกระทํามิปัสสนาก็คือใช้ปัญญารู้เท่าทันพิจารณาหาเหตุาผลรู้วิธีการกระทาได้เรยว่ามโนมยิทธิ กระทำถูกวิธีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเรียกว่าอิทธิวิธีแล้วก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอิทธิวิธีนี่ตั้งแต่มันมีกิเลสมากๆนะหรือกิเลสหรือว่าตัวเราเองคนหนึ่งคนเดียวนี่สามารถกระทําหรือว่าได้ตัวอย่างอันหนึ่งอันเดียวเราก็สามารถที่จะกระทําตัวอย่างหรือว่าทําผลให้มันเพิ่มขึ้นจากเราเคยทํางานเราทํำการปฏิบัติทำนี่ได้รับผลมา1นจุดหอัน เป็นตัวอย่างอันหนึ่งต่อไปก็ได้หลายๆอันได้หลายอันเรียกว่าเนระมิตรตัวหนึ่งจาก1 e i, ara, am, ah นึ่งเอกภพหุตวาพหุธาโหติหนึ่งเดียวเราก็ขยายเป็นมากๆได้เป็นอิทธิฤทธิอิทธิวิธีต่างๆนาน า, นาจนสามารถที่เราจะไล่อิทธิวิธีไปตั้งแต่คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ที่จริงมันไม่มีคําว่าคนหรอกเอกภพมันก็เป็นคำว่าเอกภพเป็นหนึ่ง พระหูดทาก็แปลว่ามากมายมันไม่ได้แปลว่าหลายคนมันไม่มีคําว่าคนหรอกเป็นนามมาทำก็ได้อย่างเคยอาตมาเคยวิเ ค, คราะห์แล้วสามารถเดินน้ําดําดินเดินไปบนน้าเหมือนกับของแข็งดําลงไปในดินเหมือนกับของอ่อนอะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาท่านพูดเป็นภาษาวัตถุเป็นภาษาปุคลาธิฐิฐานะทะลุ ก, กําแพงภูเขาที่กัน้นกําบังอะไรต่างๆนาน า, นาซึ่งสามารถเป็นริทที่บรรยายเป็นภาษาวัตถุธรรมหรือบุคลาธิฐิฐาน เราก็เข้าใจว่าเราได้ปฏิบัติทำมีอิทธิวิธีต่างๆเหล่านี้นะสามารถที่จะอย่างที่อาตมาอธิบายไว้ในหนังสือทางเอกหรือในหนังสือสุดยอดปฏิหารานั่นอธนะิบายไว้แล้วว่าอิทธิวิธีเหล่านี้ขยายความเป็นอย่างไรเราก็ทําได้จริงไหมถ้ากระทาได้จริงก็เป็นบทบาทความสามารถปาฏิหารลักษณะต่างๆในอิทธิวิธี จนจิตของเราเป็นมโนโมยิธิมีฤทธิ์ที่สามารถมีฤทธิ์ตามอิทธิวิธีเนี่ยมีฤทธิ์สามารถทําให้จิตมนโนมยะมนโนมยะอันเป็นใจของเราใจของเราเนี่ยมีกิเลมันลดลงไปได้ลดลงไปได้จริงๆภาษาที่อธิบายสู่กันฟังมันก็ได้ทอนนี้ไม่รู้จะไปจับมาได้ยังไงถ้าเป็นวัตถุธรรมเป็นขีปนาวุธอาวุธอันนี้นี่นะเนี่ยกดตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไอ้ลูกกระสุนอันนี้มันจะไปชัยชอนมันจะไปแทงคนนี้ ระเบิดตรงนี้ให้พังสลายตรงนี้เจ็บปวดตรงนี้ตายอย่างนี้อะไรมันก็เป็นวัตถุทำผู้กันได้แต่นี่มันเป็นนามธรรมาอิทธิวิธีที่เราจะทําให้แก่ตนเองกิเลกก็ไม่รู้หัวมาอยู่ไหนหางมาอยู่ไหนไออาวุธขีปนาวุธหรือธรรมาวุธของเราหรือว่าอิทธิวิธีของเราจะไประเบิดให้มันหัวขาดถางขาดตรงไห น, นตรงไห น, นเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนดังนั้น แต่ว่าทำอย่างไรนี่มันต้องรู้นิมิตหมายรู้อาการที่ว่านิมิตอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เราทำแล้วอ้วิธีการอย่างนี้ถูกจริงๆนะตามที่อิทธิวิธีท่านว่าไวในรูปแบบต่างๆจนกระทั่งละเอียดไปจนกระทั่งไปได้ตลอดพรหมแต่ไปในเมืองพรมได้ทะลุตลอดเมืองพรมอะไรต่างๆ ก็หมายความว่าจิตวิญญาณที่มันละเอียดละ อ, อสูงขึ้นแล้วพรหมนี่มันสูงขึ้นแล้วย่างนี้เป็นต้นเราก็ทําได้ถูกต้องจากหยาบเนรมิตความหยาบหรือว่าสามารถทําความเจริญตั้งแต่ภาคหยาบลุยไปจนกระทั่งจิตว่างจิตเบาเหมือนเดินผ่านอยู่ในกองภูเขาก็ทะลุได้เป็นอย่างเดินอยู่ในที่ว่างอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเหาะได้บินได้เหมือนนกก็เหมือนมันลอยเบาว่างอะไรต่างๆนันนาสารพัดที่ได้อธิบายเป็น ธรรมอาธิษฐานให้ฟังหมดแล้วจนแม้ที่สุดเราลูกคลาพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือเหมือนอย่างนั้นคือเก่งจนกระทั่งสามารถที่จะเอื้อมรู้เอื้อมจับอยู่ไกลแสนไกลอยู่ใกล้แสนใกล้อะไรก็ตามแต่เราก็สามารถกระทำได้จริงและก็ไม่ไม่พ่ายแพ้ฤทธิดดเดชของกิเลสมันจะรุนแรงถึงขนาดทอพระอาทิตย์ทอพระจันทร์เราก็ยังสบาย แต่ต้องได้เย็นสบายาไม่เดือดไม่ร้อนอะไรจนที่สุดเราก็สะอาดหมดจดแม้กระทั่งในเมืองพรมไปทั่วทุกแดนทุกแผนของเมืองพรมคือจิตวิญญาณที่อาศัยพรมนี่หมายความว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณสะอาดจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณหรืุบคมจันรจริยาจัญญาของผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ที่สุดว่าเราทําได้ว่าเราเป็นพรมเป็นมีจัญญา มีพฤติกรรมดังพรหมเราก็มาติดว่าพรหมนี้เป็นภพเป็นภูมิภพนี้เป็นตัวตนพรหมนี้เป็นสภาพเราจะต้องสิงสถิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่นิรันดร์ก็ไม่ถอดถอนแม้กระทั่งว่าจิตวิญญาณที่ได้ดีได้เก่งสะอาดบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์อยู่แล้วก็อาศัยเท่านั้นไม่ได้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วปฏิบัติประพฤติจริงๆหัดปล่อยอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำก็เราจนมณสิกาลจนกัเราท่ำช่ำชองสิ่งเหล่านี้เป็นระดับเป็นขัน้นแม้แต่อิทธิวิธีดังกล่าวนี้เพราะงั้นวิธีต่างๆที่กล่าวไปนี้คุณฟังฟังฟังฟังไปวันแล้ววันเล่าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ไม่ช่วยตนอาตมาว่าอาตมาจะตายก่อนพวกคุณไปนะแล้วพวกคุณก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอยู่แล้วกกคุณก็อีกอยู่จะยาวนานกับกันสักเท่าไหร่ใครจะอายุยืนยาวสักเท่าไหร่นี่ตัวไล่เรียงไล่เลียงกันก็ไม่ได้แก่ไม่ได้อ่อน ก, กันเท่าไหร่ห่างกันไม่ถึง น้าร้อยปีเนี่ยในนั่งอยู่นี่ห่างกันไม่ถึงร้อยปีอาตมาไม่ได้แก่กว่าคุณร้อยปีคุณไม่ได้อ่อนกว่าอาตมาร้อยปีอ่ะแล้วมันจะไปไหวอ่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่พยายามเร่งรีบเข้าไม่ทันชีวิตหนึ่งนี่มันน้อยนะชีวิตหนึ่งนี่มันสั้นวันๆคืนๆมันเร็วเร็วเร็วเร็ว เ, วเวมื่อกี้นี่อยู่ยกุศลก็ ย, ยังพูดกันอยู่เลย ว, ว่าโอ้กว่าเดี๋ยวก็จะถึงอสุกรำลึกอีกแล้วอสุกรำลึกเมื่อไหร่อ่าอสุกรำลึกมันก็หมิถุนา เนี่มีนาเมษาเมษาพุทธสภามิถุนาเดี๋ยวก็จะถึงอีกแล้วพอทั้งพอบอกว่ า, อ, าอ๋อโสดลึกพ่อโสดลึกเดี๋ยวก็จะเข้าภาษาแล้วอู้ยทาไมไวัจังเลยอย่าว่าแต่วันมันวนะปีมันก็วัยปีหนึ่งแป๊บแป๊ปีหนึ่งแป๊บแเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายแล้วเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาปฏิบัติธรรมก็มันไม่ได้มากได้ไม้เท่ากับเวลาที่มันผ่านไปเวลามันผ่านไปเร็วแต่ผลได้ของการปฏิบัติธรรมมันก็น้อยๆๆมันก็ไม่คุ้มกัน มันก็ไม่ได้ประโยชน์มากมายเท่ากันจริงสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งดึงดูดนําพาอะไรต่างๆนานามันยั่วมันยอ่อมันทําให้เราเป็นโล่งระเริงอยู่กับโลกเสียเ ว, ล, วลาไเวลา่ปเปล่าฟรีฟรอยู่กับโลกนั้นมันมากมายจริงอยู่แต่เราก็จะต้องรู้ว่ายิ่งมากยิ่งมาเรายิ่งต้องรู้เท่าทันและเราก็ต้องเอาตัวของเราเข้ามาทําประโยชน์คุณค่าผ่านวันผ่า น, า น, านคืนไปมากมายบางคนก็ยืดยืดยุ่นยุ่นไปไมาๆๆมไปไปอ่อนแออะไรอยู่ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะขณะนี้จะว่าไปแล้วเราก็ได้ผลแต่อาตมามีหน้าที่ได้ผลให้มากขึ้นมีหน้าที่ที่ทำให้ได้ผลให้สูงขึ้นเร็วขึ้นมีหน้าที่เร่งรัดพัฒนาคําว่าเร่งรัดพัฒนาเนี่ยเขาดีนะทางโลกเข า, เาไปใช้ว่าเร่งรัดพัฒนาคือพัฒนาอย่างเร่งรัดไม่จะไม่ต้องฉาบอย่าไปมัวดูดายอย่าไปมัวที่ปล่อยปละละเลยต้องเร่งรัดอยู่เรื่อยๆแหละการเร่งรัดพัฒนานะั้น มันควรที่จะคำีขมันขนควายอย่าปลปล่อยให้เปล่าได้ศูนตกหกตกหล่นอะได้ไปมากมายนะักมันไม่ง่ายบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายอยู่เลยแต่ก็ไม่ถึงกับเคร่งเครียดเพราะเรามีจัดสรรแม้แต่เวลาวันวันคืนคืนการเป็นไปเราก็มีอยู่ว่าการพักผ่อนการเปลี่ยนอิริยบทไม่เคร่งเครียดจนเกินการไม่เดือดร้อนบังคับกดขี่กดกดจนก็ทั่งไมันงไม่นเวยแล้วก็มันก็ทูก มันหนักหน้ามันเครียดเดี๋ยวมันก็จะระเบิดเราก็มีมีการผ่อนคลายมีการค่ อ, คอยๆเลยพักมั่งผ่อนมั่งไปในเชิงเชิงนั้นเชิงนี้ที่พอเป็นไปอาตมาก็ว่าอาตมาดูแลอยู่ในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ไปทําอะไรก็ให้มันเครียดเกินไปให้มันเครง่งจนกระทั่งไม่มีช่องว่างไม่มีที่ผ่อนที่คลายอะไรมันก็จะแย่เอาจะตายเอาอคนมากขึ้นด้วย การปฏิบัติมีคนที่รู้ช่างรู้ช่างพูดช่างติช่างเตียนช่างเพ่งมันมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็จริงแต่เราก็ต้องมีช่องมีทางพอที่จะให้เข้าใจว่าเราจะปรับใจยังไงจะทําในใจยังไงจะทํากรรมกริยาอย่างไรถ้าพูดทําถูกก็ช่วยได้นั่งทางใจของตนเองเอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งนอกไม่มากนักแต่ถ้าพูดทาไม่ถูกอาศัยสิ่งแวดล้อมทางข้างนอกด้วยบ้างพอที่จะดึงจูงให้ผ่อนคลายขึ้นไปได้เราก็ช่วยด้วย หลายหลทางนะทางการปฏิบัติเร่งกันขึ้นมาพัฒนากันขึ้นมาปานนี้แล้วเป็นหมู่เป็นมวล เ, เป็นกกอบเป็นกรรมก็ขอให้พวกเราได้สังวรสํานึกอย่าติดแป้นหรือว่าอย่าไปคิดว่า เ, ออเราก็ได้ดีขนาดนี้แล้วก็ดีแล้วนะเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่นึกว่าเราจะได้คันึกขนาดนี้เราก็ไม่นึกว่าเราจะมาดีได้ตัดกิเลสได้ปานนี้พ อ, อได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นมราจะติดแป้น แล้วมันก็จะเสียเวลาชักชาเฉยเนื่อยอก็ได้แตค่นี้ก็บุญแล้วทําเป็นมักน้อยอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มักน้อยในกุศลก็เคยเอามาย้ำบ่อยๆว่าท่านไม่สันโดดในกุศลทําไมพอในกุศลขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังตรัสอย่างนั้นแล้วคุณเป็นใครกันตํารวยในกุศลนะวะเป็นมหาเศรษฐีกุศลนอะละกิเลสได้มากมายแล้ววะ ขณะพระพุทธเจ้านั้นท่านหมดเกลี้ยงจนเป็นพระสมมาสัมโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่สมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังหมดท่านไม่สันโดษในกุศลท่านยังเพียรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่เจริญซึ่งมันเป็นของท่านท่านจะมีความสามารถความรู้โล ก, กวิถีของท่านที่จะสามารถช่วยมนุษย์ได้กว้างขวางอันนี้อาตมารู้ตัวเองดีเพราะแม้แต่อาตมาอาตมาก็ต้องภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาที่จะมีความสามารถช่วยหรือขนสัตว์ ทำชองลู้โล ก, กวิทูลู้เหลี่ยมลู่มุมมารไรของต่างๆนาน า, นาที่มันเป็นเรื่องราวของสิ่งอื่นนะไม่ใช่ตัวเองนะักตัวเองก็แม้ตัวเองจะช่วยตนเองได้แล้วตัวเองก็ช่วยผู้อื่นให้มันเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะเราจะมีคุณค่าเกิดมาเป็นคนจะมีคุณค่าก็ตรงที่คนอื่นนี้ได้ประโยชน์เราช่วยผู้อื่นได้คนได้คนอื่นได้ประโยชน์จากเราถ้าเราไปเอาประโยชน์จากเขา ไปขูดรีดไปเอาเปรียบเอารัดเขาเน่ยมันไม่เป็นคุณค่าอะไรเป็นหนี้ที่เราได้พูดซ้ำซากกันมามากมายเราเป็นหนี้เราบาปเราเกิดมาไม่ไหวละหนักแรงผู้อื่นหนักแผ่นดินไม่ได้มีคุณค่ามันมีประโยชน์อะไรให้แก่ผู้อื่นได้เนี่ยมันหนักแรงผู้อื่นแล้วก็แถมหนักแผ่นดินแล้วก็ก่อบาปเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยซึ่งเป็นกรรมเป็นอันธรมของใครก็ของมันนั่นแหละไม่ไม่ไม่อื่นคุณคิดดีๆเกิดมามีชีวิตเกิดมาเพื่อทําอะไร เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาความประเสริฐนะเพื่อหาความดีงามความดีงามคืออะไรความประเสริฐคืออะไรความดีงามความประเสริฐอันแรกก็คือเราจะต้องไม่เป็นทาสของโลกียะของเราเมื่อเราไม่เป็นทาสได้จริงแล้วก็มาสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นเป็นตัวอย่างอย่างน้อย ก, ก็เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นรอใคนมีพฤติกรรมเป็นอบายมุก ติดอบายยมุกมันก็เป็นตัวอย่างก็เป็นสิ่งดึงดูดคนอื่นเขอ้างโน่นนะั่นเขาก็ยังเป็นยังเป็นเลยเขาายังไม่เห็นชักลงไปต่อหน้าต่อตาเลยบางทีก็หลอกหลอกล่อหกกันยังถือว่าเป็นสุขโอ้ยได้กินเหล้าเป็นสุขหัวเลอ้ออึกอักได้สูบบุรีได้อบายยมุกได้เล่นการพนันได้ทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเร็วๆได้รายเป็นผ่านเป ล, ล, ล, ล่ า, ล า, ลายังหัวลอ้ออกึกอักเบิกบานเป็นสุขเงินหลอกลอก่ล อ, ลอคนอื่นชี้ชวนคนอื่นยั่วย ว, ยยวนคนอื่นอยู่เลย ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ถึ่งแท้จริงมันเป็นตัวเลวตัวร้ายคนรู้ไม่เท่าทันก็หลงว่าโอ้ตัวอย่างนี่นะ่าเอาอย่างนะก็เอาอย่างกันถ้ายิ่งหลายร้อยคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเป็นตัวอย่างก็อยู่นี้มันก็ยิงแรงเพราะแม้แต่เราเองนี่เราเป็นทรงไว้ซึ่งสภาพอย่างไรเรียกว่าธรรมะส่งไว้ซึ่งสภาพที่เป็นความเลวเป็นอกุศ ล, ลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลน่ะสรงไว้ซึ่งความเป็นอกุศลน่ะ มันไม่เจริญมันไม่ดีอะไรแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอย่างคุณไม่ต้องไปทําอะไรคุณเป็นเองคุณก็เป็นตัวอย่างในโลกแล้วไม่ได้ประโยชน์คุณค่าอะไรเลยมีแต่จะดึงดูดคนอื่นเข้ามาพรนพราเลวอย่างเราแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งกุศลเป็นกุศลธรรมทรงไว้ซึ่งกุศลเราเปลี่ยนมาได้แม้จะไม่พูดแม้จะไม่จาแม้จะไม่อธิบายใครถ้ามีมวลที่เป็นคนดีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมามันก็จะเป็นอานาจดึงดูดเป็นตัวอย่างที่ดึงดูดชี้ แล้วมันจะมีบทบาทพฤติกรรมอีกด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอบายยมุคนคนนี้ไม่ติดกรรมคนคนนี้ไม่เป็นาธาตุลาบยศสันเสริญโลกีสุกอยู่เนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรอธิบายด้วยปากเนี่ยมันก็ก็ได้ความหมายเขเข้าใจอย่างนั้นแต่เห็นด้วยตาสัมผัสความเป็นไปจริงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันลึกซึ้งซับซ้อนคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้คนนี้พฤติกรรมอย่างนี้ แต่มีเป้าหมายเดียวกันว่าเป็นคนที่หลุดพน้นเป็นคนที่มีคุณงามความดีนั้นแต่ลีลาท่าทีมันต่างกันบางคนท่าทีอ่อนๆบางคนท่าทีกลางๆบางคนท่าทีแข็งๆลีลาขบวนท่าต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นคนหลุดพ้นเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าคนนี้หลุดพ้นแต่หลุดพ้นลักษณะอย่างนี้นะปากก็พูดอย่างเนี้แต่แล้วก็หลุดพ้นบางคนปากทำตนบางคนปากอวดดีบางคนปาก พูดยังไงก็ไม่รู้ไปไปมามาพูดไม่รู้เรื่องก็มีพูดรู้เรื่องก็มีอะไรต่างๆนานาสารพัดนะนานาปากหรือกิริยากรรมกิริยาก็ตามพวกนี้เป็นตัวอย่างถ้ามากคนมากเจริตมากนิสยัยมากพฤติกรรมมันก็ยิ่งเป็นผลที่จะดูได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เป็นตัวอย่างจูงนําได้มากขอให้ขอให้มันเป็นให้ได้เนี่เป็นสําคัญทําไม่ได้เป็นให้ได้เนี่เป็นสําคัญ เป็นแล้วก็เป็นอยู่อย่างงั้นยืนหยัดยืนยันทุกวันนี้มันยิ่งน้อยคนที่ได้ธรรมะบรรลุธรรมะนี่มันยิ่งน้อยเราก็ยิ่งต้องเสริมหนุนเพิ่มเติมขึ้นมาให้มากเพราะฉะนั้นคนใดที่มาสังวรระวังมาสมาทานช่วยกันอยู่นี่แม้คุณมาส ป, ปาทานชั่วคราวนะคุณก็มาเป็นรูปแบบชั่วคราวนะคุณจะกดข่มไว้คุณจะสังวรไว้เฉยๆนะแม้สังวรไว้ไม่ละเมิดได้รูปนะโดวยวัดแตโดย กายกรรมวัจกรรมนี่รูปแบบนอกๆง่ายๆมันก็เป็นรูปแบบที่ดีแล้วเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างแม้น้อยหนึ่งแล้วคุณก็แปลเปลี่ยนกลับไปอย่างเก่าอย่างที่เสียหายก็ยังเป็นยังมาช่วยน้อยหนึ่งแต่ถ้าช่วยได้มากๆมาส่งวอรระวังอยู่นานๆโดยเฉพาะได้จริงเป็นจริงเป็นถาวรไปเลยเรื่องอะไรเราจะไปเป็นอย่างโนนล้วก็เป็นอย่างนี้ให้มันมีมวลมีหมู่ให้มากๆขึ้นจะได้มีผลดึงดูด มีผลที่จะชี้เป็นตัวอย่างชี้นํานําพากันและจริงๆแล้วถ้าบอกว่าได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปหรอกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระมหาสาวกเหมือนใครๆที่บรรลุแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปเป็นอย่างโลกเขาเป็นไม่ต้องไปกินส o บ p ดื่มเสร็ไม่ต้องไปมีพฤติกรรมไม่ต้องไปมีกายกิริยาไม่ต้องไปมีวาจาอย่างโน้อนอย่างโน้นก็เป็นอย่างที่เราเป็นนี่ที่มันถูกต้องเป็นกุศลอย่เราก็ทําของเราเป็นไปแล้วเราก็สบาย แล้วก็เป็นตัวอย่างอดีงามเป็นคุณค่าขณะนี้ก็รู้สึกว่าเกี่ยวคนขึ้นมา ก, ากันมีผู้ที่จะต้องมาได้รับการอบรมแนะนำเพิ่มเติมอะไรกันมากพากันปฏิบัติประพฤติให้มั่นคงแข็งแรงให้แน่ใจทำให้ได้มากๆนานตั้งมัน่นแม้มันจะต้องทำจัดจ้านก่อเขาเขาจัดจ้านไม่ในทางโลกในะเขาจัดจ้านไปแบบผสมปรนปรุง สังขารนะ่ะปรุงแต่งแบบโลกไปจีใจายมากมายเลยเป็นสภาพที่ปรุงแตง่งเยอะของเราเองก็เป็นสภาพลดลดให้มากมากเหมือนกันมันก็ถ่วงกันคนละข้างเขาไปกันใหญ่เลยโอ้โหปรุงแต่งยั่วการไปแบบโลกโลกลีลาอะไรต่ตางๆนานาโคศนาโปรปักันดาตอนนี้ก็เอาผู้หญิงมานุ่งผ้าเล็กๆน้อยๆ อ, อวดส่วนเว้าส่วนนูนอะไรอย่บอกประกาศกันเป็นทางการจะประกวดนางสาวไทย ถ้าไมนางสาวไทยมันหมายความว่าอย่างงั้นเนี่ยไม่ประกวดนางกามไทยมันควรจะบอกงั้นอทําไมคนไม่ประกวดยังก็ไม่เป็นนางสาวเหรอนางสาวเราก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หญิงหมายความว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานผู้หญิงไม่ได้แต่งงานเขาเป็นคนไทยคนไทยคือคนอิสระนั่นพวกนั้นพวกถูกเขาครอบงําไปเป็นทาสแท้แท ขา อ, าอะไรมาล่อนิดล่อนหน่อยก็ป้ายซอกๆจะไปอวดกรรมนั่นแนหะเป็นเชิงกลในสังคมวิธีการก็ไปแย่งชิงกันโอ้ค่าจะไปเดินโชว์ค่าจะไปประกวดในความงามนะที่จริงในความยั่วกรามไม่ใช่ความงามไอ้งามอย่างนั้นงามอย่างตื้นตื้ น, นที่คนเขาไม่รู้เขาก็ไปแสดงความงามที่ไม่กต ا า, าเป็นรูปยั่วกรามกันเท่านั้นเองทุกวันนี้มันไม่ต้องเร่งเราเลยกาม มันจัดจ้านอยู่ในคนมากมายแล้วไม่ต้องกลัวว่าบาคนมันจะไม่ผสมพันธ์กันเนต้องไปเร่งเล่าเนี่ยไปต้องเสพกามไม่เสพกามแล้วประเดี๋ยวคนมันจะหมดโลกหุยหยุดพักเลิกกันไปได้อีกร้อยปี200ปี500ปีเลิกไปได้เลยไม่ต้องไปโพนธนาไม่ต้องไปเร่งรัดเต่งเร่าอะไรกันเลยในเรื่องเหล่านี้หยุดกันได้จริงๆมันเฟอกันมากมายแล้วแต่เขาก็าไม่เคยรู้เรื่องกันพรานพล า, พลาปลุงเงินสนับสนุนเสียเงินเสียทอง มามองากันแล้วก็เอาไ ป, ไปเป็นเชิงค้าขายเป็นระบบของทุนนิยมหมดอาศัยพวกนางงามเนี่ยไปโฆษณาสินค้าไปจูงดึงให้คนมาสนใจเข้าของของเขาน่ยเขาก็ลงทุนกันไปพนธนากันไปไอ้พวกที่มีเก็บเบี้ยบายรายทางอะไรอีกอยู่ในเชิงกลางเป็นกรมกรมก ร, มก ร, มกรมการเป็นผู้จัดเป็นผู้อะไรไดไกลได้ชิดใดเก็บตกเก็บหล่นอะไรไปอีกก็นึกว่ามันเป็นผลกําไรเขาก็ทํากันไปผลประโยชน์อะไรที่เขาจะได้ไม่ในทางโลกียะ มันยาวมากมันยืดยืดจาดยืดยาวอะไรเยอะแยะที่อาตมาพูดไปไม่ถึงสิ่งที่อาตมาไม่รู้ก็ยังมีอีกที่เป็นเชิงกลซ่อนๆที่เขาจะเสิด จ, จะเสวยแต่ จ, จะได้เปรียบไปสิ่งเหล่านั้นดูแล้วก็ดูมันงมงายกันจริงๆมันไม่เข้า่าเลยไม่รู้จะเป็นความดิบความดีอะไรกันโชว์อย่างนั้นถ้าผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นนางสาวหรือเป็นนางแล้วก็ตาม ถ้าจะทําคุณงามความดีอันประเสริฐเป็นสาระแก่นสารเป็นสารสัตจจกอะไรขึ้นมาได้แล้วมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอย่างนี้สิเปิดเผยอย่างนี้สิมันมีนคุณค่าที่น่าโชว์นางงามโอ้ยไปต้องไปห่วงเราหนะ้าว่าคนอย่างพวกเราคนไทยนี่หน้าตามันจะไม่งามมันจะไม่อย่างง้นมาอย่างนี้ขอให้มันเป็นคนดีก็แล้วกันมันไม่เห็นจะไปอวดไปอ้างอะไรเขาไอ้มันได้เรื่องได้ราวอะไรเลยอ มาประกวดนางงามนางสาวไทยเอาไว้จะได้ไปส่งไประกวดนางจักรวาล น, นางจากกาักรเวนอะไรต่งตงตงางๆนานาสารพัดแล้วไม่เห็นมันได้อะไรกันเปลืองพลานใช้จ่ายกันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เขาถาเมื่อไหรเขาจะมีความรู้เมื่อไรเขาจะมีความสํานึกกันก็ไม่รู้คนเหล่านี้นะได้แต่ทําอะไรแตร่ให้มันวุ่นวายให้มันกอ่ออะไรเพิ่มเติมให้มันหยาบให้มันจัดจ้านให้มันลําบากลําบนรุนแรงเดือดร้อนกันไปในสังคมอยู่นั่นแหละไม่รู้แล้วไม่รู้รอด แล้วก็ไม่รู้ว่าคนจะหยุดจะพักกับสิ่งเหล่านี้ในยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวแค่ประกวดนางงามแค่อะไรนี่นานหนังสือพิมพ์นี้มีสารพัดแล้วตอนนี้มีข่าวฝนกรดแม่น่ากลัวมากฝนตกลงมาเป็นกรดแล้วเดี๋ยวนี้นี่เราคือความโสโครกของโลกโลกมันโสโครกมากน้ำฝนเราถือว่าเป็นน้ำสะอาดน้บริสุทธิ์ รองมาแล้วก็เด็ดดื่มเลี้ยงร่างกายดีเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเป็นฝนกรดแล้วตกลงมาก็ผสมมาเลยในอากาศนี่มันไม่บริสุทธิ์แล้วผสมกับอากาศสังเคราะห์กันในตัวในอากาศเลยสังเคราะห์ออกมาลงมาเป็นน้ำเขาวัดได้เปอร์เซ็นต์ตั้งยิ่งกว่าน้ำส้มสายชูฝนเนี่ยรองมาผสมอากาศลงมาแล้วเขาวัดเขารองมาวัดได้แล้วเนี่ยมันเป็นกรดตั้ง กรดมากกว่าน้ำส้มสายชูอีกคุณคิดดูสิแล้วน้ำส้มสายชูมันอาจจะเป็นกรดที่กินได้เป็นกรดที่ยังพอเป็นธาตุที่มันเป็นประโยชน์ในร่างกายและนี่มันเป็นกรดประเภทที่บางเป็นกรดทำลายชีวิตด้วยกินเข้าไปก็ซีแง่แล้วมันจะได้เรื่องอะไรแล้วมันก็เป็นแล้วเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่คนเองนี่แหละไปทาให้มันเกิดธรรมชาติฝนตกลงมาเป็นกรดเลยนี่ดูสิ จริงเนะี้นวเมฆเนี่ยเป็นน้ำที่ได้กรองนะเมฆนี่น้ำได้กรองไปเป็นเมฆแล้วเวลาตกลงมาเป็นฝนน้ําตกลงมาแต่แรกเนี่ยมันก็สะอาดลงมาพราะผ่านบรรยากาศที่เน่าอากาศเสียขึ้นมามันก็สังเคราะห์กันอีกเกิดเป็นกรดลงไปจนได้จะไปอยู่กันที่ไหนกันน่ยมันเสียหมดแล้วดินก็เสียน้ําก็เสียอากาศก็เสียฝนฟ้าอะไรเสียหมด ด้วยเถิดความเลวร้ายของคนเนี่ยมันทําไม่ทุกอย่างมันไม่ปกติทุกอย่างเป็นพิษเป็นภัยร้ายกาจไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่อยู่กันแล้วละ่ะนะต้องพยายามปรับปรุงกันแล้วก็พยายามจัดสรรแม้แต่บรรยากาศนั้นอย่าให้มันเกิดมลพิษอะไรต่างๆนานาสารพัดจนเกินการทําของเราอะไรกันไปมีน้ํามีธามีดินมีไฟน้ําดินก็ให้งามน้ําก็ให้ดี ดินงามน้ําใสใบไม้สวยสดสะอาดอากาศบริสุทธิ์มนุษย์สุขสบายต้องพยายามเอาให้ได้ต้องพยายามกระทาไม่ได้แล้วก็กระทำด้วยสูตรหรือได้ด้วยสภาพที่เราเองเราไม่ต้องเป็หลงเทคโนโลยีมีเครื่องกลเครื่องยนต์ทําให้อากาศเสียทําให้ดินให้น้ําน้ำนี่กัเครื่องกลเครื่องยนนี่กัขับดันผักไอเศษการอะไรลงไปในน้ําแม้แต่ปฏิกิริยาที่มันเกิดปฏิกิริยา อะไรกันแล้วแต่ทางธาตุสังเคราะห์อากาศกบเสียวหายไปหมดมันก็จะแย่ไปด้วยกันหมดเพราะงั้นถ้าผมว่าเราไม่หลงเทคโนโลยีมากเอาแต่สิ่งพอประมาณพอพอพอพอันเทาแล้วก็สังเคราะห์พอทันมีแรงงานช่วยคือคนเนี่ยช่วยธรรมชาติไอโนนไอนี่สังเคราะห์ไม่ทันเราก็จับไปเปลี่ยนไปแปลไปให้มันถึงที่ถึงบทเดินทางไปปรับไปปรุงไปเปลี่ยนอะไรบ้างช่วยมัน เราช่วยตะเพงช่วยธรรมชาติและธรรมชาติมันก็ทำงานของมันดำหน้าที่ของมันอยู่แล้วธรรมชาติมันก็สังเคราะห์ตัวเองปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองไปมันก็ทํำของมันคนก็ช่วยให้มันถูกจังหวะจากคนไม่ต้องมีอะไรแถมเติมมาจนกระทั่งมันเน่ามันเฟะลงไปมันก็จะเป็นธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่บริสุทธิ์หรือที่สมส่วนที่เราจะเป็นอยู่สุขกับมันได้อยู่แท้จริงนะ สิ่เหล่านี้เกิดจากความรู้เกิดจากความจริงที่เราจะต้องอย่างรู้อย่างลึกไปถึงสภาพพวกนี้นะเพรทุกวันนี้อะไรแต่ใดมันไม่รู้เท่าทันแม้มันรู้มันก็อดลนทนต่อกิเลสไม่ได้กิเลสมันตะกะตะกลามมากมันรู้เหมือนกันอย่างพวกโรงงานเขาก็รู้ว่าทําน้ําเสียทําแก๊สเป็นพิษเขาก็รู้แต่เขาเอาทํามาแล้วเขากา ก, ากเสร็อันนั้นมันทําให้มันทุกอย่างมันพังสลายแต่เขาได้เงินน่ะได้เงินเขาเป็นทาสน้ําเงิน เขาจะต้องได้เงินมามากๆไม่เช่นนั้นมันไม่พอที่เขาจะเสพโลกียสุขเพราะเขาไม่เคยลมละมระลดเลยโลกียสุขเขายิ่งมาโปรปะกันด่าโฆษณาเผยแพร่ไอ้นี่โวยน่ า, ดาได้ไอ้นี่โวยน่าสุขน่าสนุกน่าสนานมาเอากันโว้ยมันก็โว้ยลงไปหมดแล้วก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นแลกไปเอามาเสพชีวิตเขาจะต้องเสพโลกียสุขนาน า, นาสารพัดชั้นเชิงไม่รู้อะไรบ้าง อะไรต่ออะไรละเอียดละอไปหมดแม้แต่แกบอกตั้งก้าวเดินไปในสถานที่นี้ก็สุกแล้วอหนุ่งห่มอย่างนี้ก็สุกแล้วมีข้าวของอันนี้มาไว้เป็นสมบัติของตัวก็สุกแล้วหลอกล่อสารพัดงมงายไปหมดนั้นก็ต้องมีเงินนี่แหละมีสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนเอามาไว้ให้แก่สมใจทุกอย่างนี่แหละจึงจะเป็นชีวิตชีวามไม่งั้นไม่สดชื่นเหี่ยวแหง้งโอยเขาได้ไอ้นนแล้วก็ไม่ได้ก็เขาเขาสัมผัสไอ้นนท์เราก็ไม่ได้สัมผัส้าเขามีก็เราไม่มีก็เขา ไม่ได้ดิมรถอะไรก็เข้าไม่เลยเราเองเราปฏิบัติดีแล้วเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราจะไม่ไปเป็นปมด้อยเราจะไม่เป็นน้อยใจว่าโอ้เราไม่ได้สัมผัสก็เข้าไม่ได้มีอย่างนั้นก็เข้าเราก็เลยไม่มีชีวิตชีวาเหี่ยวแห้งอ้างว้างไม่เลยเราจะเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่างสงบอยู่ไม่อยากไม่ต้องมาบำบัดไม่ต้องมาบำเรอสิ่งที่สาคัญจาเป็นเป็นปัจจัยข้าวก็มีกินดินก็มีเดินตะวันก็มีส่อง สบายไม่เดือดร้อนอะไรพอนะเราก็สร้างโดยซ้ําไปอย่าว่าจะพอเลยสร้างสร้างข้าวสร้างน้ําสร้างปัจจัยสร้างสิ่งที่จะมาใช้จริงๆพึ่งตนได้สร้างสิ่งที่สําคัญนี่เกินด้วยเพื่อแผ่คนอื่นไปด้วยยืนหยัดยืนยันไม่ต้องไปเสพอะไรที่เขาหลอกล่อเจนกระทั่งวุ่นวายเดือดร้อนเป็นผู้รู้เท่าทันโลกโลกียะ หรือโล ก, กวิถีรู้เท่าทันโลกที่มันมอมเมาเราแล้วเราก็เป็นคนเท่านี้เท่านี้ก็พอสบายแข็งแรงเป็นอยู่สุเบิกบานเบิกบานจริงๆบทบาทอิ่มใจสดชื่นไม่ต้องไปเต้นดิสโก้ก็สบายอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยแล้วไม่ต้องเต้นก็อร่อยแล้วเห็นแล้วก็ร้อนแล้วเห็นเขาเต้นแล้วก็ทุกแตะทุกแล้วเห็นแล้วว่าทุก อเราเองยั่วเราไม่เป็นและเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ผลักไม่ใส่เราไม่ติดไม่ดูดแล้วก็ไม่ผลักไม่ใส่ไม่ติดไม่ดูดไม่ผลักมันจะเห็นมันมีอยู่จะทำอย่างไรช่วยเขามันได้และให้เขาเข้าใจตามสัจจะแล้วลดละลงมามาปลอดภัยแล้วก็เอาแรงงานเอาอะไรอะไรมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีถ้าคนในสังคมนี่เกิดรู้ชัดรู้เจนไม่ไปแพรนปลาแรงงานหรืออะไรเหลือธรรมชาติมันก็ทําอยู่ อข้าวมันจะขึ้นเองของมันต้นหมากล่ากไม้มันจะขึ้นเองของมันแค่มันขึ้นเองเท่านั้นเราเดินไปนิดๆเท่านั้นหรืออยู่ในบ้านในเขตที่ดินของเราเนี่ยโอ้เดินไปมุมนี้ก็มีผักเก็บกินได้เดินไปตรงนี้ก็ผลหมากลากไม้เกิดเร็วเกิดทันไม่เร็วเราตามตา ม, ตามอากาศแเวลาของมันทันทันอยู่ทันกินคนไปเอามาใช้ไม่ต้องไปเร่งเรา้าไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรมันก็พอกินพอใช้เลือ ไม่ต้องไปทํามาเสริมไม่ต้องมาทํามาเพิ่มเลยทรมาชาติมันสังเคราะห์ของมันมาทำของมันคนก็เบาง่ายไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปทําอะไรมากถ้าต่างก็ทํากันอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่กันมีเวลาเป่าขุยเพลงหนังบนหลังควายอมีเวลานี่เวลาจะเป่าขุยเพลงหนังบนหลังควายไม่มีแล้วหมาหอบแดดซอกซอกซอกโอ้โอ้โอเร่งก็ไปเร่งก็ไปเดี๋ยวไม่ทันเขาเดี๋ยวแย่งเขาไม่ได้ชนะเดี๋ยวไม่ได้มากกับเขาเอเดี๋ยวไม่ได้กอบได้โกล เร่งรัดกันจริงๆเลยเร่งรัดเร่งร้อนเป็นหมาหอบแดดเหมือนกับที่เมืองที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิธีเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มความเร็วอย่างญี่ปุ่นอย่างนิวยอร์คมานั่งช้าๆไม่ได้ต้องหมาหอบแดดวิ่งซกซกทํำๆำ ๆ, ำๆไม่งั้นไม่ทันกินไม่พอตายชีวิตอย่างนั้นเป็นชีวิตที่ร้อนระ อ, อุเป็นชีวิตที่มันไม่มีจังหวะจักรโกนได้พักได้ผ่อนลาบาก ทีนี้เขาไม่พักไม่ผ่อนเขาจัดจ้านแบบนั้นเนะ่ยเขาก็ขยันดีที่จริงขยันสร้างสรรค์ไม่อยู่เปล่าไม่เปล่าได้ก็ดีอยู่แต่ทําไมชีวิตจะต้องร้อนรนถึงปานนั้นมันมีความจําเป็นเพราะเขาเองเขาไม่รู้ถ้าเรารู้เส็แล้วเราไม่มีความจําเป็นถึงปานนั้นถ้านะท่าถ้าเราจะขยันเราจะเร่งร้อนอย่างเขาบ้างเราก็เร่งร้อนผลิตผลิตเราก็ทุกเหมือนเขาทุกนั่นแหละ เหมือนเขทุกข์คือมันทุกข์ตรงสภาวะนะทุกข์ตรงมันเร่งร้อนกันมันเร็วมันร้อนน่ะออกแรงมากมมันก็เหนื่อยก็ร้อนก็ทุกข์อย่างนั้นทุกข์ตามธรรมชาติทําสภาวะทุกข์แต่เราไม่ได้เป็นคนที่จะไปเอาเปรียบเอารัดไม่ได้พลันได้พลาเราทําแ ล, ทแล้วก็แจกจ่ายเชื้อจานให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาเป็นความเอื้อเฟื้อเป็นบุญของเราถ้าแม้ว่าเราจะเมื่อยเราจะเร่งรัดเร่งร้อนมันก็ยังเป็นกุศลแต่อันนั้นเร่งรัดเร่งร้อนแล้วมาแย่งชิงแล้วก็มามองเมากัน ซับซ้อนนะเป็นสภาพซับซ้อนอาตมาอธิบายเนะี่ยยังไม่ละเอียดนะักมันซับซ้อนเพราะนั้นเขาจะเร่งร้อนบ้างก็เถอะทุกวันนี้เราก็เร่งร้อนมันกันเร่งร้อนที่จะทํำยังไงให้เกิดคุณค่าสร้างงานการออกไปทางาศาสนาให้คนได้รับประโยชน์คุณค่าทางนี้ให้มากเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ทันที่โลกมันก็ปรุงกันแล้วเกินยั่วย่อมกันแล้วเกินเราก็เลยต้องเร็วบ้างแต่เร็วอย่างเราเป็นเร็วอย่างบุญเร็วอย่างพระไม่ใช่เร็วอย่างมารยักษ์ ผีนรกพวกนนท์ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เร็วอย่างเดียวกันเร็วเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าต่างกันเราไม่ได้ไปเร็วเพื่อที่จะเอามาเสพให้แก่ตนเองโลภโมโทสันให้แก่ตนเองเปลา่าเราเร็วเพื่อช่วยเขาแต่เขานั้นเร็วเพื่อเอาไปเสพเพื่อที่ตัวเองจะได้กอบได้โกยได้หลงโลกี้สุขอะไรของตนของตนมันก็ไม่เข้าท่าอย่า ง, งนนท์ แต่เขาก็ไม่รู้พูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากว่าเราเองมาพัฒนาให้คนที่พอรู้ๆูมาแล้วก็มาแข่งทั้งนี้แหละมันก็แข่งขันเป็นธรรมมาธรรมะสงครามเป็นธรรมมธรรมะสงครามเป็นธรรมะกับอธรรมธรรสงครามระหว่างธรรมกับอาธรรมก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมจริงๆเป็นตามธรรมความจริงที่เราเห็นเราก็เจตนาเราก็กระทำเพื่อที่จะได้ละได้ล้างได้ลดได้ปลดได้ปล่อย ได้กระทาความดีแล้วได้กระทาสิ่งที่มันเจริญนี่ให้แก่เขาแก่เขากันไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราเราก็ได้พบก่อนเราก็ได้สบายก่อนอเสร็จแล้วเราจะขยันมันเพียรเน็จจะเหนื่อยอะไรนี่เราก็ยังปิติยินดีเพราะเราเราเนเหนื่อยแล้วเรามันได้บุญปิติยินดีที่เราเป็นคุณค่ามันไม่เหมือนกันนะอย่างที่เขาเนี่ยเาก็อุปทานมอมเมากันสมุติสัจจะ ซอนกันให้หลงมาหลงยินดีสิได้ลาบได้ยศได้สันเสริญในโลกียสุเมเสพนั่นได้เป็นชีวิตชีวาชีวิตชีวาเราไม่เป็นทาตโลกียะเรามาเป็นโลกุตระบุคนเราก็มาดีใจอิ่มใจสบายใจของเราที่เราได้เสียสละเราได้สร้างสรรคเราได้ทําสิ่งที่ดีสู่สังสมคมปรับปรุงมนุษย์ให้มาเป็นสิ่งดีนี้ไม่ใช่ามาพลานมนุษย์ไม่ใช่ามาพลานธรรมชาติลงไปแต่มากอบกู้กอบกู้ธรรมชาติกอบกู้ ม, กกมนุษย์ให้มาเป็นผู้ที่อยู่ในมัชชิ ม, มา อยู่ในสมดุลอยู่ในสภาพที่ดูดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากยากเย็นเป็นสุขอยู่กันจริงๆและเกื้อกูลกันเป็นมนุษย์ที่มีสมพันธภาพมีสมรชชภาพแล้วว่า ม, มีสามคัคคีมีความเอื้อเฟื้อเมตตาเกื้อกูลนะเป็นสังคมที่น่ารื่นรมเป็นสังคมที่น่าอนุโมทนาอย่างนี้ ขนาดพวกเรานี่ได้ฝึกซ้อมได้ปฏิบัติประพฤติมามีมวลขนาดนี้มันยังมีอะไรขัดแยง้งยังมีอะไรทะเลาะเบาแวงและไม่รงรง่องรง่องรอยอเป็นไปได้วยความไม่เกื้อกูลตัวเองไม่อดไม่ทนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นไปไม่ได้โกรธไวร้อนไวโลภไวราคะเกิดเร็วไม่มั่นคงไม่ยืนนานไม่เย็นอยู่ได้เราก็ยังเป็นวุบุบอบบบัง ขนาดที่เราฝึกปรือกันมาแต่มันก็จเจริญได้เพราะว่าก็ช่วยกันมีทิศทางที่จ ะ, จะเจริญมาได้ขนาดเราพรมมาขนาดนี้ยี่ขนาดนี้คุณดูกัแล้วกันนะวันโลกนี้คนอื่นที่ก็ไม่ได้ศึกษาถูกทางถูกต้องอย่างที่เราเป็นเลยคุณคิดดูซิมันจะเป็นไปยังไงแล้วนับวันเนี่ยคนทั้งโลกยาวว่าแต่เขาไม่ฝึกปรือเลยจํานวนของพลโลกของเขาเขาก็มีเพิ่มเติมกันเนี่ยเขาก็เร่งรัดพัฒนาของเขาสมสูงกันออกมาอยากให้เกิดบางเมอยากให้เกิดบางันก็เกิด เพราะเขามีการมีราคาเขาก็ว่ากันไปไอ้พวกเราสิพยายามยุดยุดยดแม้แต่งงานกันแล้วก็ถือสินแปดเธออะไรก็ยูดจุดจุดไปช่วยกันยังไงดีพวกที่ไม่แต่งงานก็อย่าไปแต่งไม่ต้องแล้วเราก็พยายาม่วงดุลสังคมอยู่ทุกด้านนะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเกิดมามากๆๆเป็นยังไงก็ถูกมองเป็นบริวารของคนเหล่านั้นก็มาช่วยกันทั้งโลกเขาก็มีช่วยกัน คนก็เกิดมาจํานวนปริมาณของโลกคนโลกโลกก็เกิดมาเพิ่มขึ้นมากและก็มาเป็นบริวารของคนโลกโลกและช่วยกันมาปรุงช่วยกันมาแต่งมาเป็นตัวอย่างแบบโลกโลกโลกกิยะนักจัดจ้านึ้นไปแต่เราก็พยายามยุยุจยุจยุยุแต่ก็มาผลิตคนที่เกิดแล้วเนี่ยเป็นคนที่ละโลกละโลกกิยะออกมาออกมาออกมาออกมาซึ่งก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเท่ากับทําให้คนเกิดเชื่อไหม เนี่ไปทำให้คนเกิดเป็นตัวน้อยแว่ออกมานี่ยแม่น่ะมันยากอะไรละง่ายแต่ทําให้คนเกิดทางนา ม, มาทําให้เกิดมาเป็นอริยะนี่ยากยากไ<า>อ้ทําให้เกิดอย่างนั้นน่ะโนคนตาบอดหูหนวกมันก็ทําเป็นไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยอ่าทำง่ายทําอย่างนั้นแล้วมันก็ทําก็อยู่คล่งคงองคลองไอ้พวกเรานี่มาให้เกิดทางนี้เนี่ยจึง พยายามช่วยกันให้มากๆมาทําเกิดกันทางธรรมนี่ให้เกิดเป็นอริยะเกิดเป็นบุคคลโลกุตระได้ให้มากไอ้โลกียะบุคคลน่ยมันอู้มันเกิดกันเต็มโลกเกิดกันตลอดเวลาให้มาเกิดอันนี้เถอะให้ได้ะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองไม่เร่งรัดพัฒนากันจริงๆทําแต่จะผ่านวันผ่านคืนไปเราได้อะไรแล้วเราก็เสเวยร่รอ ง, ร, อ ง, ร, องร่องแดงแดงหรือประมาททําประมาทว่าไอ้หนุนช่างมันเถอดนิดๆหน่นนอยๆ ไม่ได้อย่างที่อาตมากำชับตัวแต่ต้นแล้วเราพยายามภาคเพียเรเถอะจะเน็ดเหนื่อยมันก็ไปถึงตายเหมือนกันเราจะเน็ดเหนื่อยจะอยู่ในกุศลคุณจะตายในกุศลนี้คุณจะเน็ดเหนื่อยในกุศลนี้มีกุศลอยู่แล้วก็ตายไปอุ้ยไม่เป็นปัญหาหรอกไออาตมาว่าน่าจะทําพิธีเหมือนกันนะเขาทำพิธีทั้งโลกเขาโอ้โหฉลองฉลองทําพิธีคนตายประเภทตายทางโลกีนะ ที่เป็นลูกน้องทางโลกีแล้วก็กตายจะเป็นระบบทุนนิยมจะเป็นระบบศักดินาอะไรก็ตามใจพอตายลงเลยคนที่เขาตายทางโน้นมันมาแห่สนับสนุนไอ้คนนี้มันเสียสละเพื่อที่จะให้ศักดินาคงทนทุนนิยมถาวรเจริญ ง, งอกงามเขาก็ประกบประงมบรนเลงโฉดเฉิชดชิงโปปกานดาโอ้โนี่เห็นไหม่นคนพวกวิเศษพวกเสียสละชีวิต เือโลกจียะเต็มเหนียวเหมือนนนะฉลองใหญ่โตโประคโคมโประกันด่ากันน่าดูเรามันน่าจะมาฉลองกันนะนะมันน่าจะฉลองกันเหมือนกันอ่าเพราะงั้นคนดีๆคนไหนคนโล ก, กุตระที่ตายอนะไรเนี่ยมันน่าจะมาบรรเลงเพลงฉลองวันนี้คนอย่างนี้สิน่าจะมาฉลองน่าจะบอกว่านี่ตายไปแล้วดูสิเนี่ยทำดีมาโอ้โหนะ่าสิยดายนะเนี่ยดูสินี่เสีย ส, สละ อุตสาหะพยายามเ อ, อน่าสิดายนะคนอย่างนี้ตายไปคนหนึ่งนี่แมมันโลกนี้เสียทรัพยากรอันวิเศษสุดลงไปแล้วบ้างนะเนี่ยมันน่าจะได้ทําแต่ตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ทันตายกันเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ประโคมกันออก็จะประโคมกันบ้างอะ่ะต่อไปวิธีการพวกนี้เป็นจิตวิทยาเป็นกรรมวิธีที่โลกเขาใช้เหมือนกัน แต่เราก็พยายามมันจะซ่อนลงไปอีกว่าถ้าไปเราเอะอะมาเทิ่งประโคมให้เสียเงินเสียทองเกินไปเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะประโคมหรือว่าประกาศไปในลักษณะหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดว่าดูมอมเมาซับซ้อนขึ้นไปอีกเราก็จะไม่อันนี้ต้องฉลาดเ ฉ, ฉลียวที่จะต้องรู้ว่าจะทําอย่างไรอะไรยังไงเพราะว่าคนเหล่านี้คนอย่างพวกเราคนอย่างที่ปฏิบัตินี่มันหายากตายไปทีนึงก็น่าเสียดายอย่างมาก เพราะาให้เกิดมันไม่ได้เกิดได้ไง่ายๆดังที่กล่าวแล้วเพราะงั้นก็ขอสรุปนะว่าพวกเราอย่าได้ประมาทเลยชีวิตนี้มันน้อยนักชีวิตนี้มันสั้นนักอะไรที่เราเป็นสภาพที่เรามันติดจุดเราพอมีปัญญารู้ระดับรู้ขั้นตอนอยู่ว่าอะไรมันเสียหายอะไรมันเลวเรามาแก้ไขจริงๆถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ ต้องพยายามพิจรารณาเอ๊ะจุดนี้ปมนี้เราจะแก้ไขมันได้ยังไงมันไม่ดีจริงๆนะนี่ไล่มาตั้งแต่เบื้องต่ํามาเลยเบื้องหยาบมาตั้งแต่อบายามุกมีเศษเหลือหรือมันหยาบคายอะไรอยู่อีกหรือแม้เหลือเศษประมาณน้อยถ้ามีโอกาสจะต้องเอาให้มันเฮี้ยนเตะไปเลยแล้วให้มันสะอาดพุดธพองไปเลยได้ก็เ อ, เอ้าเอ้าหรืออะไรที่มันมาถึงภูมินี้พบนี้ขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วเออเราหลุดจากพบนั้นเราก็มาติดพบนี้ มาติดเลิกจากอันนั้นได้ก็บมาเสียเวลาอยู่กับอันนี้ต ร, ตรวจตรวจตราจริงๆตรวจตนเองจริงๆถ้าไม่ตรวจไม่มีใครตรวจให้เราหรอกอาตมาพูดนี่ก็ได้จะพูดทฤษฎีพูดหลักวิชาให้คุณเอาไปใช้แล้วก็นําไปตรวจที่ตัวของจริงตรวจ ด, ดูมันเห็นจริงแล้วก็ทําภาคเพียรุตสาหาวิริยะ ถ้าไม่ภาคเพียรตั้งสมาทานเอาละเรื่องนี้ของเรามันจะชัดอยู่แล้วเราจะแก้ไขปรับปรุงวันๆคืนๆอธิษฐานจิตตั้งจิตมีกรรมฐานด้วยว่ามีสัจจะอะไรที่เราจะมีสัจจาอธิษฐานเพื่อที่จะเลิกจะละเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอะไรของเราออกไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเจริญนะอาตมาก็คิดว่าน่าซ้ำๆ ซ, ซักๆนี่แหละพวกเราเนี่ยที่จะปิดสามศูนย์เนี่ย ซ้ำซ้ำ ซ, กซากๆใครอยู่สิว่าจะซ้ำซากใดมากหรือว่านานนานมาทีจรไปจรมาขนาดปิดแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยจะมาเลยนะเนี่ยราก็จะดูก็พยายามที่จะย้ำซ้ำซากขัดเกลากันเข้าไปอุสาหะวิริยะดูมันจะต้องเร่งรัดพัฒนาอาตมาคิว่าภายในห้าปีประมาณสักห้าปีต่อไปนี่คงจะพอเห็นรูปเห็นร่างคงพอจะเป็นแก่นเป็นแกนอะไรขึ้นมาบ้าง เพราะมวลของพวกเราที่รู้ได้เหตุผลที่มันยังไม่ละเอียดอาตมาอาจจะพูดอะไรเบอเบอร์มันกว้างมันเยอะมันมากก็จะได้มาเน้นมาคันมาพยายามพูดให้มันคมมันแหลมให้มันชัดให้มันไม่เปิดไม่เปื้อนไม่ไปวุ่นวายไม่ไปผสมผสานกับอะไรมากๆนะก็จะค่อยๆพูดกันเจาะเรื่องเจาะราเจาะกิเลสเจาะเป้าเจาะอะไรอะไรลงไปเจาะให้มันสําคัญสําคัญลงไปชัดๆขึ้นเราก็จะได้เร่งรัดพัฒนากันนะ ไม่เช่นนั้นแล้วก็ช้าชัก board, เนินยนเยอะประมาทผ่านวันผ่านคืนไปมันก็เท่านั้นเท่านั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตนี้มันไม่ได้เกิดมาอะไรยิ่งใหญ่หรอเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าจะเกิดมาเป็นพวกโลกียะอย่างนั้นอ่ะมาลาลาบลายศแข่งกันแล้วแล้วเล่าเล่ากี่ชาติกี่ชาติกี่ประเทศก็เหมือนเมือนกันมนุษย์โลกก็เป็นดยงนั้นอ่ะตั้งแต่เป็นคนนุ่นน่ะ เป็นเผาบูบูบูบูร้องไอ้นุ่งผ้ามัง่งไม่นุ่งผ้ามัง่งอยู่ในป่าไปนคนเถื่อนนั่นนะ่ะมันก็จะมาเป็นใหญ่จะต้องมีอํานาจปกครองคนอื่นต้องคาราวะต้องเกรงกลัวฉันอ่าและฉันก็จะต้องเป็นเจ้าผู้ที่จะต้องอยู่ต้องกินได้บริบูนภูนสุขเสพโลกีมีเมียหลายคนนะผู้หญิงก็จะต้องเป็นผู้ที่แหมผู้เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็ ชอบฉันเชิดชูฉันและฉันก็พลอยซ้อนซ่อนซ่อ น, อ น, อนมามีอํานาจด้วยเป็นสูสีไทยเฮาขึ้นมาซ้อนเชิงอีกมันก็ไอ้รูปนี้มันไม่ได้มีอรูปอื่นเลยตั้งแต่โบราณการคนเถื่อนมาจนกระทั่งคนบอกว่าเป็นคนซีวีไลเป็นคนเจริญมันก็รูปเดิมแต่ว่ามันซ้อนเชิงกันลึกลับซ้อนเชิงกันหลายชั้นไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนรู้ทัน ขึ้นขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นไปเท่านั้นเองไม่มีอื่นเพราะฉ้นเมื่อเรามารู้เท่าทันเสร็จแล้วเราก็มาล้างออกมาเป็นชั้นๆเหมือนกันให้มันกลี๊งออกมาอย่าให้มันซุกซ่อนล้างออกล้างไปล้างไปทัพทวีขึ้นมาเจริญงอกงามขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเราจึงจะเป็นผู้ที่พ้นความเป็นคนเกิดมาก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่แย่งไอ้ลาบยศสรรเสริญโลกียะสุกันอยู่อย่างเงี้ยจะมากลายเป็นอบา ย, ยมุกหนักหนาหยาบคายอะไรก็ไม่รู้ทันกันนะ มันไม่มีอะไรกณจะเกิดอีกกี่ชาติละตั้งใจจะเกิดอีกกี่ชาติแสนหนึ่งแสนชาติคือมากไปเอากี่ชาติดีตอบไม่ได้ตอบมันง่ายๆว่าผมจะเอาให้น้อยชาติที่สุดครับมันทีเพราะเราจะไปกำหนดว่าถ่นนั้นชาติถนนี้ชาติคงยากใช่ไหมแก็ตอบมันยังฉลาดาผมจะเอาให้น้อยชาติที่สุดครับเออเถียงไม่ได้ อ, อมันก็เป็นตัวความ ความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วผมจะพยายามจะน้อยชาติมากที่สุดจะตอบเท่านั้นเท่านี้คุณจะรู้ได้ยังไงน <c oughs> ก็รู้ยาก <c oughs> เอาแล้วก็คงตอบยากเพราะมันไม่มีปฏิพานที่จะตอบก็แนะนําให้นิดหน่อยอย่างนีง้เป็นต้นเราก็จะเอาให้น้อยชาติที่สุดถ้าเราเข้าใจแล้วให้มันมันลุสูงสุดเอาแล้วถ้าคุณแม้คุณจะเป็นพระอาหารหันได้เป็นพระอาหารหันแ้่คุณยังอยากเกิดอยู่อีกเกิดมันเลยเราต้องการเหมือนกันพระโพธิสัตว์ที่จะมาสั่งสมบุญบา ร, รมี แต่คุณต้องจริงนะคุณต้องได้โลกุตรธรรมจริงๆเป็นหลักประกันที่แท้แล้วคุณจะต้องตั้งจิตตั้งใจที่จะมาทํางานอีกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยขณะอาตมาทุกวันนี้นี่นะอาตมาพูดกับคุณว่าอาตมายังไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยยังไม่ท้อแท้เนี่ยอย่าให้อาตมาพูดว่าท้อแท้กันแล้วกันถ้าอาตมาพูดว่าอาตมาทอ้อเกินแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อไหรแล้วกับคุณเลยแล้วมันจะเป็นจริงนะ แล้วมันจะเป็นจริงได้เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่ามันไม่วานไม่ไหวายจริงมันก็ท้อไม่เอาแล้วมันไม่ไหวจริงมันไม่ได้จเจริญอะไรเลยทําไปทําไปคนนั้นคนนี้ก็มาหลอกเราเรื่อยเลยแล้วก็ไม่ได้มักได้ผลอะไร IL <Pie> เราก็ว่าแม่คนพวกนี้จะเอาจริงทําท่ามาแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็ไม่จริงเอาไปเอามา ล, มล้มเหลวหมดอาตมาก็พังโรงกันเหมือนกันเนะอาตมาก็จะไม่เอาเหือกันนะอย่าให้อาตมาว่าอาตมาท้อแท้กันแล้วกัน ถ้าทำไม่ได้ผลมันก็ต้องทอแท้มนุษย์แต่ถ้าทำได้ผลมันก็ต้องทำกันเน็ดเหนื่อยหนักหนาก็รู้อยู่อาตมารู้เหตุรู้ปัจจัยอยู่ว่ามันเน็ดเหนื่อยหนักหนาเพราะมันสู้กันไม่รู้ว่าหนึ่งต่อเท่าไหร่อ่าเอาละเอาหนึ่งต่อมื่นหรือหนึ่งต่อแสนอะไรนี่ก็ตามแต่เถอะบอกว่าหนึ่งต่อสิบนี่คุณสู้เข้าไหวไหมหนึ่งต่อสิบมันยังจะตายอยู่แล้วหนึ่งต่อร้อยอ่ะก็ยิ่งแทบจะแบนเลย และนี่ไม่ใช่หนึ่งต่อร้อยมันหึงต่อหมื่นหนึ่งต่อพัน 1, ก็ยังยากดูแล้วนะแล้วเราสมมติวหวานหวนไว่าจะมีสักห้าพันคนไหมเราโศกนี่อาตอมาว่ามันจะไม่ถึงเอาวะนะมันจะมีสักห้าร้อยคนนะนะอย่างเก่ง อ, ะอ่ะห้าร้อคนเอาจริงๆริไอ้ที่จรไปจรมางานพุทธาภิเศษทีปลูกเสกที่มาให้เห็นหน้าพันกว่าคนรอ้องจรจรเนะี่ยมันจะเท่าไหร่จรนะจรเนี่ยเท่าไหรท่ที่เห็นเห็นอยู่ทุกวันนี้ แต่เอาละถึงอย่างน้อยมันก็มีเชื้อนะมีเชื้อไปกระจายถ้าเราเอาค่าละเอียดมันก็มีเชื้อไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอยู่บ้างมันก็พอจะได้หรอกห้า5้อยพันอะไรพูดกันจริงๆก็พอได้ 5005,000 ันถ้ามันมีมากกว่านั้นมันก็ยิ่งเบามันก็ยิ่งได้ประโยชน์สูงมันก็ยิ่งดีเราจึงแคร์ไปอยู่เรื่อยๆให้เขาได้รับแม้แต่รู้สึกรับรู้เท่านั้นก็พอที่จะไม่เป็นคู่ต่อสู้หรือไม่เป็นค่าศึกอย่าง ตั้งหน้าตั้งตาลมลางกันทีเดียวมันก็ยังจะพอบัญญับัญยางว่าเอ๊เขากดดีนะมันก็ถูกหนะ้ามันก็เป็นสิ่งประเสริฐนะมันก็ยังพอเบาทุกวันนี้ว่ากันจริงโดยค่าเฉลี่ยแล้วมันได้ห้าพันนะคิดอย่างละเอียดนะว่าเอ๊สิ่งที่เราสะพัดกันไปสู่คนเนี่ยเขารับคุณงามความดีอันนี้อย่างอโศกนี่เขาก็มันจะมีจิตสํานึกว่าดีอย่างโอย่างนี้เขารับไปในใจบ้างางงี้นะรวมๆแล้วคิดเฉลี่ยแล้วนะตัดเกรดกันอย่างละเอียดเลยนะี่นะ มันได้ขนาดนี้อโศกรานี่ไม่น้อยหรอกว่ากันจริงๆแล้วเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรก็มีอยู่เหมือนกันนะหลักแสนเรายังไม่อยากจะพูดให้มันโก้มันใหญ่อะไรเกินไปนักหรอกเอาแต่ตัวเลขเฉยๆมันก็ไม่มีท่าอะไรแต่ว่าถึงก็หนักหลักพันหลักหมื่นนะขึ้นไปในอาตมาว่าคนอโศกทุกวันนี้รู้จักทิศทางพอสมควรคุณคิดดูสิแม้แต่หลักพันหลักหมื่นนี้ยังทําให้กระแสสังคมเนี่ยทุกวันนี้คุณเห็นไหมว่างานศาสนาเนี่พูดกันมากขึ้น มีข่าวคราวของกิจกรรมศาสนามากขึ้นเอาเถอะจะเป็นศ า, าสนาพุทธในกลุ่มใดสำนักใดอะไรก็ตามใจแต่ก่อนนี้มันแห้งแล้งแซงศาสนาเงียบเงียบไม่มีกระตกกระตากไม่มีการกระเตื้องอะไรเลยเฉย อ, อยู่ใครอยู่มันจะมอมเมากันไปกับมอมเมากันไปตามภาษามันจะตายซากตายแห้งลงไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ศาสนากระเตื้องขึ้นมาแล้ว กระเตื้องขึ้นมาจนกระทั่งจับเป็นพฤติกรรมเป็นกิจกรรมเป็นอะไร อ, อะไรขึ้นมานี่เป็นค่าที่มันบอกค่าไม่เป็นดัชนีชี้ค่าให้เรารู้ว่ากิจกรรมมันนี้มนุษยชาติที่จะต้องมีเอาภาระในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสภาพขึ้นมาแล้วในสังคมมนุษย์มันมีขึ้นมาดีแล้วแม้มันจะยังไม่เข้าออทางยังไม่เป็นสมาธิ ท, ท, ทีเดียวก็เถอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ขอให้มันรู้เห็นเป็นสําคัญว่าเอองานศาสนานี่เป็นสําคัญอย่างน้อยอย่างน้อยก็กเตื้องขึ้นวาระที่จะต้องกระทําก็มากขึ้นมีอะไรแต่ใดก็สูงขึ้นเสมอๆเอจริญ ง, งอกงามขึ้ น, นเรื่อยๆใน ก, กิจกรรมทางนี้เราก็พยายามพิสูจน์แสดงความสําคัญเห็นความสําคัญที่มันเป็นจริงเป็นจริงขึ้นมาว่าสังคมมนุษย์ขาดแคลนสิ่งนี้จําเป็นในเรื่องนี้มนุษย์จะเป็นอยู่สุข มนุษย์จะเป็นหิตรประโยชน์แก่กันและกันต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าทางธรรมอย่างนี้ทางเทคนิคเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนแม้ทุกวันนี้นี่ทางเทคนิคไม่ส่งเสริมต่อมันก็รู้แล้วเราจะแกล้งไม่รู้ไม่ได้ไม่ต้องเสริมต่ อ, อเรามาพัฒนาบุคคลกันก น, นี่ก่อนว่าให้บุคคลนี่มีคุณภาพโดยเฉพาะในทางจริยธรรมถ้าบุคคลมีคุณภาพในทางจริยธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น เทคนิคแค่ที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยประเทศอื่นๆใหญ่ๆไหนๆมันก็พยายามที่จะมาเกี่ยวมาเวียนมาจะมาจองมาจับจะยึดครองเป็นธาตุเศรษ ฐ, ฐ, ฐกิจของเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหลอกไม่ต้องห่วงว่าพวกเราจะจนจะยากแต่ทุกวันนี้เราเนถูกเขาหลอกด้วยกลละเชิงทเทต่ไปโน่ไปเอาอย่างอะไรอื่นๆเข้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาสําคัญเราไม่สําคัญ ตัวเราเองกลายเป็นพวกไม่สําคัญแล้วเราก็ไปสําคัญไปหลงค่าอะไรแต่เขานั่นนะเขาประเมิอนอะไรมาขี้หมูขี้หมาอะไรก็ซื้อซื้อความรู้ซื้อวิชาซื้ออะไรสารพัดซื้อแม้แต่วัฒนธรรมขี้หมาซื้อนะไม่ใช่มาเราไม่ได้จ่ายสตังซื้อนะวัฒนธรรมที่รับเข้ามาในซื้อคุณไม่ต้องเอาอะไรนะจะรับวัฒนธรรมเข้ามาด้วยสื่อสารได้แค่ว่าส่งวิทยุผ่านดาวเทียมส่งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซื้อหนังสือที่เขาสื่อสารมา มันก็ติดวัฒนธรรมของพวกเขามาคุณซื้อทั้งนั้นนะซื้อทั้งอย่างเร็วอย่างช้าซื้อเข้ามาแล้วซื้อเข้ามาทำไมของเราไม่มีวัฒนธรรมเหรอของเราไม่มีพฤติกรรมที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมู่ที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพี่เป็นน้องเป็นการเป็นอยู่เป็นระบบของสังคมเป็นการเป็นอยู่เป็นระบบของสังคมพวกเรานี่เราไม่มีของเราเหรอ เราโง่เง่าทุกบานนั้นเลยนะไม่จริงเลยนะไม่จริงร้อยไม่จริงพันไม่จริงเลยนะว่าเราอยู่กันไม่ได้เราอยู่ได้ด้วยระบบวัฒนธรรมของเราเคยดีมาแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาปรับปรุงตนเองทําไมอาตมากลับว่ามันยิ่งพังเอาวัฒนธรรมต่างประเทศมายิ่งพังวัฒนธรรมเหอเหิมฟุงเฟ้อที่จริงวัฒนธรรมดีๆของต่างประเทศเขาไม่แพร่ออกมาจากในประเทศเขาเท่าไหร่ แต่เราน่ไปรับเอาเอวัฒนธรรมแบบทุนนิยมวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมที่ก็แพร่ออกมาเพื่อที่จะล่าเงินล่าทองล่ารายได้ล่าอะไรแต่ใดนั่นตั้งหากที่เรารับมาหรือแม้แต่เอาโ ย, โยกตัวอย่างง่ายๆข่าวดาวเทียมข่าวดาวเทียมจากประเทศต่างๆข่าวดีๆนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ ตัวอย่างดีๆไม่ค่อยจะมีมีตัวอย่างประเดี๋ยวปฏิวัติประเดี๋ยวฆ่าแกงประเดี๋ยวไอ้นั่นพังไอ้นีส่สลายดงทรมานไอ้นี่อยู่งีอ้ออกมาด้วยแลยเราก็บอกโอ้พวกนี้มันเป็นได้ถึงป่านนี้เว้ยเสร็จแล้วพวกเราก็บอกว่าพวกเรา ก, ก็มันยังเป็นได้นี่หว่าเราก็เป็นยังเขาบ้างมันก็เลยชินชาด้านชาก็รับวัฒนธรรมมาโดยไม่รู้ตัวเขายังเป็นยังงั้นได้เลยเออถึงเราเราก็เป็นบ้าง แทนที่จะสำนึกว่าโอ้โหไอ้นี่มันหยาบไอ้นี่มันร้ายมันแรงอยากให้เป็นชนะบ้านเราเมืองเราอย่าเป็นอย่างนี้ชนะปฏิวัติกันแบบนี้ทำท ร, ทรมารโทกรรมทารุณกันแบบนี้มันเป็นทุกข์ยาทำชนะไม่ค่อยบอกกันเลยทำเป็นด้านชาแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไป น, นึกถึงว่าโอ้ประเทศเขาประเทศนอกได้เป็นประเทศเจริญเขายังทาอย่างนี้กันเลย เดินขบวนกันอย่างนี้เพื่อต่อรองอให้ได้อนโน่นนี่เพื่อเอาชนะฆาคารกันอย่างง้นอย่างนี้เราก็รับมาเลยทั้งระบบระบบการเป็นอยู่ระบบปกครองระบบธรรมเนียมอะไรแล้วแต่เอาตามเขาทาั้งๆที่เราเองเราไม่เคยเป็นก็เป็นจนโลดโผเถอะจนกลายเป็นอะไรแต่ไรไม่เขาทาเพราะฉะนั้นมาหาความสงบไม่ได้หาความเป็นอยู่สุขไม่ได้หาความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ไม่ได้ มันซ่อนแฝงนะพวกเรานี่มาหัดมักน้อยมาหัดเป็นคนกล้าจนคนกล้าจนนี่แหละเป็นคนอุดมสมบูรณ์คนกอบโกยจะเอาต่างคนต่างรวยนั่นแหละเป็นเรื่องเศรษฐกิจตัดเป็นเศรษฐกิจร้ายแต่เศรษฐกิจพังต่างคนต่างจะกอบโกยเอาเป็นจอมทุนนายทุนเป็นผู้มีมากได้มากเป็นอํานาจใหญ่เศรษฐกิจก็พัง จนเลยเพราะมันไปรวมอยู่ที่ทู้ที่มีอํานาจหรือหัวกันให้มีอํานาจดึงดูดเข้าไปเป็นของถักของตนให้ได้มากๆไม่กระจายไม่แพร่สัพัฒไม่เป็นส่วนกลางแต่พวกเรากล้าจนแต่เราไม่ได้หยุดทํางานขยันมันเพียนสร้างสรรค์มีเทคโนโลยีขึ้นมากๆมากๆต่างคนก็ต่างไม่เอาต่างคนต่างไม่โลบต่างคนต่างไม่กอบโกยเหลือกองกลางบานเบะนั่นคือเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ใครจะเอาก็ได้ใครจะหยิบก็ได้ใครจะ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาฟรีแล้วมันไม่สะดวกมันไม่สบายยังไงกันล่ะเศรษฐกิ จ, จเจริญคืออะไรกล้าจนนี่คนกล้าจนทุกคนไม่ต้องโลภมากนี่แหละคําว่ากล้าจนแต่สร้างสรร น, นะข้อสาคัญต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนเงื่อนไขที่ถูกทางที่ชัดชัดจริงๆกล้าสร้างสรรค์แล้วไม่ต้องโลภไม่ต้องหอบไม่ต้องกอบไม่ต้องโกยมันก็เหลือเฟืออุดมสมบูรณ์เท่านั้นเอง แต่ต่างคนต่างกูก็จะเอามากๆเองก็จะเอามากๆมีค่านิยมกอบโกยมีค่านิยมที่จะสะสมแบบทุนนิยมแล้วก็จะได้มีอํานาจยิง่งใหญ่ดูดดึงกันแข่งขันกันตั้งมัง่งตั้งมีกัอะไรกันแต่ร่ํารวยกันอะไรเงินถ้าลักษณะแบบนี้เราจนกันทั้งชาติชาติจะใหญ่ยิง่งยังไงก็จนจนกันจริงๆไม่จนก็ต้องทํกง า, า, ากันก็จะไม่ทันวอกวไม่วักไม่เวน้นเหมือนอย่างชาวญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเขาว่าเขาไม่จนแต่เขาทาไม่วักไม่เว้นเลยนะเดี๋ยวนี้อีกหน่อยต่อไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคอยดูเธอะอากาศแกศ๊สพิษน้ำท่าอีกหน่อยเธอะญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งไม่ค่อยลื่นไปไหนได้อยู่ในเกาะแค่นั้นนะคอยดูอีกไม่นานปีหรอกอาตมาจะบอกให้นะอีกไม่นานปีญี่ปุ่นเนี่ยจะไปไม่รอด เพราะเราให้ธรรมชาติสังเคราะห์ตัวและพวกเรานี่ก็หนุนเนื่องช่วยเหลือธรรมชาติแล้วไม่กินไม่พลานไม่พลาดอะไรมากมายทุกอย่างมีอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติช่วยสังเคราะห์ตัวเองมันจะมีวันเวลาเขามันสมดุลวงจรเขามันกากเศษมันจะไม่เหลือมากมายมันจะสังเคราะห์ตัวเข้ามาอย่างดีเลยดินก็สะอาดน้ําก็สะอาดอากาศก็สะอาดเพราะมันสังเคราะห์ตัวกันได้จังหวะได้เวลาอ่าได้ช่วงในเวลาของมัน มันก็หมุนเวียนเป็นวงจรของธรรมชาติอยู่ที่สมบูรณ์แล้วก็สบายพวกคนก็ไม่ต้องไปเร่งร้อนเร่งรัดเพราะไม่ผลาญผ้าไม่ถูกหลอกมาปรุงมาแต่งมากินมาใช้มาผลาญอะไรมากมายดินก็สังเคราะห์ตัวทันน้ําก็สังเคราะห์ตัวทันฝ น, นฟ้าอะไรสังเคราะห์ตัวทันอากาศสังเคราะห์ตัวทันต้นหมากรากไม้ ก, ก็สังเคราะห์ตัวอุดมสมบูรณ์ทันสัตว์ต่างๆก็ช่วยธรรมชาติที่มันจะสังเคราะห์ตัวมัน เปลี่ยนใโน่นเปลี่ยนในนี้มีมแมลงผู้มีมแมลงพึ่งมีสัตว์น้นสัตว์นี่ไปกินในนี้สัตว์นั้นไปทําในนี่ของมันเป็นหน้าที่เป็นงานการมีวงจรธรรมชาติของมันสมบูรณ์สมดุลเลยโอ้สุขสบายอุดมคนก็ไม่ต้องเร่งต้องร้อนเหมือนคนสมัยโบราณสมัยเปลือกป่ปาทเถื่อนอวันวั น, วนคืนคื น, คนไม่ต้องไปทําอะไรมากมีกินมีใช้ตนหมากรากไม้ธรรมชาติมีเยอะแยะ หน้าฝนก็มีเห็ดหน้าร้อนก็มีจักระจันอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกินด้วยจักระจันให้มันร้องเพลงมากินพืชกินผักกินอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไม้ดอกผลไม้ใบอะไรต่างๆนานาสารพัด ท, ที่จะมีทุกฤดูการถ้ามันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารฝนก็ตกถูกฤดูการหมุนเวียนกันไปยิ่งเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยโอ้ยยิ่งไม่ต้องกลัวตายเลยเพราะทุกอย่างมันสมดุลมันเป็นเมืองอบอุ่นเป็น ธรรมชาติที่มีดินน้ำไฟลมอะไรมันสมบูรณ์มันวนเวียนมันสังเคราะห์กันโอ้มันพัฒนาของมันอยู่ในตัวของมันดีเหลือเกินมันเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยมันดีนักหนาจริงๆแต่พวกเรากลับไปนิยมฆ่านิยมโลกโลกที่มันไม่ค่อยทันมันจะต้องเร่งรัดพัฒนาอย่างนนอย่างนี้เพราะมันเวลาหน้าหนาอย่างญี่ปุ่นหนาวมันก็มีหิมะเต็ม เวียดนามน่าร้อนหน้าอะไรของมันก็เป็นอย่าง้นอย่าง น, น, งนี้มันไม่เหมือนเมืองไทยแม้แต่ตะวันออกด้วยกันเท่ททแท้เท่านี้ยิ่งไปเมืองตะวันตกด้วยแล้วเราก็ดูเขายิ่งขาดยิงแกลนแล้วก็จะต้องเร่งรัดอย่างน้นอย่างนี้ไปเอาอย่างเขามาทําไมเขาเรามันแสนสบายแล้วไม่ต้องเอาอะไรเราโง่เง่าชุดแต่งตัวผู้ชายเมืองหนาวมันก็จะต้องใส่สูตรผูกคอเพื่อให้ความร้อนมันอบอยู่ในตัวเออไปเอามาจนกระทั่งกลายเป็นเมืองไทยต้องมาผูก คอถูกเนคไทยใส่เสื้ออบเสร็จแล้วยังไม่พอยังอุตส่าห์ใส่เสื้อนอกเสื้อโค้ทโอเวอร์โค้ทอะไรอีกเพราะว่ามันหนามันก็ต้องใส่เสือ้อใส่อะไรแล้วมันก็ปรับปรุงดัดแปลงนอกจากจะใส่แล้วมันก็ปรับปรุ ง, ป, ง, ป, ร ป, รงปรับแปลงให้มันเป็นดูงามดูสวยแล้วก็ดูเป็นศักดินาได้ไปด้วยในตัวมันก็ทํากันแต่คนไทยเราบดโถ่ใส่เสื้อโม้องก็จะตายอยู่แล้ว หลงๆโปร่งๆยังจะแย่อยู่แล้วยังจะเป็นหลงวัฒนธรรมในเขาเรื่องเข้าราวงเงี้ยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆมันรับเอามาอย่างงงๆเงาๆเรานึกว่ามันสวยมันรู้มันเท่มันมีศักดิ์ศรีมันมีอะไรต่อใดจนกระทั่งอุปทานติดไปเลยเป็นวัฒนธรรมโอ้ยังก็เป็นชั้นผู้ดีชั้นสูงเราจึงต้องมาดึงลงมาชั้นสูงคือพวกที่ฉลาดกว่านั้นชั้นสูงคือผู้ที่มีปัญญากว่านั้นไม่ใช่เป็นท่าทางวัฒนธรรมคนที่เป็นท่าทางวัฒนธรรมเป็นคนเจริญอะไร พ่าถ้าทำไม่รู้จากภูมิประเทศไม่รู้จากบรรยากาศไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมไม่รู้จกักภูมิฐานของตนของตนแล้วไปเอาสิ่งนั้นเข้ามาตนเองต้องทรมานตัวเองต้องเกินตนแล้วก็เป็นภาระยิ่งยิ่งเข้าไปอีกแล้วไปทําทําไมเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากเอาตัวอย่างแค่นี้ถ้าใครมีปฏิภาณฟังดูดีๆเถอะเพราะเรามาแต่งให้เราเป็นคนฉลาดเนี่ย แต่งมอห้อมเราจะเป็นอะไรก็ให้มันเรียบร้อยนิดหน่อยเท่านั้นก็ไม่เห็นเป็ปัญหาอะไรไม่โป้งไม่เปื่อยไม่ดู อ, อุจารตาไม่ดูอะไรแม้พอไปรับพัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาแต่ในใหม่ๆแม้แต่แต่ก่อนนี้พวกคนไทยก็ไม่เห็นจะต้องใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรมากมายแม้แต่อยู่ในวังก็ไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าพอฝรั่งเข้ามาโอ้ยพวกนี้อันซิวิไลไม่ดูสิเนี่ยเป็นข้าราชการก็ไม่มีเสื้อมีผ้าใส่เลย แล้วไปหลงหลมเขาเสร็จแล้วก็ไปเอาเสื้อเอาผ้ามาใส่แล้วก็ไปเอาสูตรฝรั่งมาฝรังมาใส่อีกเลยเป็นธาตุว่าถ้ า, ถา ม, มาตั้งแต่บันดนนจนบัดนี้ไม่เปิดประเทศซะดีแหนเปิดประเทศเข้ามาแล้วก็เลยบันเล ย, ยุ่งยากมากมายอย่างนี้เป็นต้นเพนะราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็แย่โดยเฉพาะผู้หญิงระวังส่งมาเป็นเมโอ้โหยแฟชั่นนนแฟชั่นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่บ้าก็บ้าแต่ก่อนไม่เคยบ้าปานนี้เดี๋ยวนี้บ้าจนไม่รู้ว่ามันจะบ้ายัางไงแต่ก่อนไม่เคยมีคนไทยเราเคยไม่เคยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปกันใหญ่ทุกอย่างเลเรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องวัฒนธรรมก็ดีเรื่องแม้แต่วัตถุเครื่องบริโภคอุปโภคอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่เรียนรู้สัจธรรมเราจะไม่รู้ไอ้ที่พูดเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดมาเพราะอาตมาไปเรียนวัฒนธรรมไปเรียนศิลปะวัฒนธรรมไปเรียนประเพณีไปเรียนโบราณคดีไปเรียนประวัติศาสตร์ไปเรียนภูมิศาสตร์อะไรอะไรมาจากที่เขาเรียนกันเปล่านะอาตมาไม่ได้ไปศึกษาอะไรมาอย่างนั้นอาตมาได้รู้เพราะสัจธรรมรู้เพราะปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงรู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรมันทําลายอย่างไรมันเจริญอย่างไรหรือมันเสื่อมอย่างไร ก็เอามาชี้บอกพวกเราให้รู้ว่ามันเสื่อมนะอย่าไปทำเล่นไปเพราะงั้นเราทำพวกนี้เอาตัวเราเองเราก็สบายตัวเราก็เป็นตัวอย่างอันดีงามและเรานี่แหละจะเป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันว่าอย่างนี้ถูกต้องกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าอย่างนนท์มันอยู่อย่างโง่อยู่อย่างงมงายอยู่อย่างเป็นทุกข์อยู่อย่างไม่เกิดผลประโยชน์คุณค่าต่อสังคมแม้แต่ประเทศชาติแต่อย่างนี้อยู่อย่างเจริญ พาเจริญกันทั้งตัวเราและตัวหมู่กลุ่มสังคมทั้งประเทศชาติอยู่กันอย่างเจริญอย่างนี้นานวันนับวันพวกคุณก็ดูกันไปเรื่อยๆที่อาตมาพาเป็นพาอยู่พากินพาสร้างพาสารพาธรรมพาให้เข้าใจสิ่งที่ควรเข้าใจพวกนี้ลึกซึ้งสอดแทรกลงไปเรื่อยๆนี่เอาให้จริงจิตใจเราแข็งแรงเราจะต้องต่อต้านสิ่งที่มันเป็นอธรรมหรือเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทุจริตต้องต่อต้านอันนี้ไม่อยางนั้นมันพ่ายแพ้มาแต่ไหนแต่ไหนธรรมมาธรร ม, มสงครามเนี่ย ธรรมะแพ้อธรรมานักนาสารพัดแล้วมันสู้กันมาไม่มีการหยุดหย่อนหรอกตั้งแต่โลกมันมีมนุษย์ขึ้นมาต่อสู้กันตั้งแต่เป็นคนป่าคนเถื่อนมันก็ต่อสู้กันมามันเจอกันมันก็ข่าแกงกันไปตั้งแต่นนท์แหละมันไม่เจอกันมันก็ไม่ข่าไม่แกงกันเพราะนานๆเข้าอย่างเดียวนี้เราทําเป็นเหมือนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะมีสหประชาชาติมันโถข้างหลังนี่มันถือปืนกันทุกคนนะสหประชาชาติประชุมนี่มันก็มีไมโครโฟนยิ้มยิ้มแต่ปืนนี่มันอยู่ในโกองไก่แล้ว สหประชาชาติก็าตามไม่ใช่แกล้งว่าเขานะมันไม่จริงใจรู้ไหมมันยังมีอัตราตัวตนมัน ม, มันยังมีการเห็นแก่ตนตนจะได้ประโยชน์มากกว่าตนจะต้องเด่นต้องดังต้องใหญ่มากกว่ามันทำดีเพื่อดีกันมากไปด้วยซ้ำทำดีเพื่อตัวเองจะได้เป็นคนดีจะได้เป็นดีอวดอ้างจะได้เป็นดีมาโชว์ที่ชาติชั้นประเทศชั้นเพราะฉะนั้นมันไม่บริสุทธิ์ทีเดียว มันซ้อนลึกที่อาตมาพูดตอนหลังนี่คำอธิบายไปเมื่อกี้นี่มันซ้อนลึกเป็นสภาพซ้อนลึกมันทําดีเพื่อที่จะได้เป็นตัวกูอันตัวใหญ่ประเทศข้าจะใหญ่ตัวเองจะต้องชนะค้านาจะต้องเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของข้าจะต้องได้มากกว่าอะไรซ้อนลึกๆนะไม่ได้เสียสละที่จริงเท่าไหร่แต่ปฏิพาณที่เขาว่าเขารู้ว่าการเสียสละอย่างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนู้นเขาก็มี เขาก็นึกว่าจริงใจแต่ส่วนลึกๆที่ในอนุสัยอาสวะเขานั้นเขาไม่รู้ตัว ง, ง่ายๆเราจิตใต้สํานึกพวกนี้มันลึกซึ้งแล้วมันออกมาเป็นบทบาทการงานให้แก่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยแตมาดูนี่แม้แต่ข่าวคราวเขาประชุมสหประชาชาติข่าวประเทศนอกยงงนอย่างงนย่างงี้อะไรมีดีลาปรับปรุงกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปยงงนอย่างงนยังงี้นี่ทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้ฟาร์มแอคมั่งไอ้ไอ้เจลลีเจกจนบินนะอะไรมั่งอยู่นี่ทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้ จริงใจไม่จริงใจแค่นะั้นอย่างโน้นอย่างงี้พูดให้เสียปากที่จริงน่ยอาตมาว่าเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ซื้อผ้าของเราเขาจะไม่ซื้อข้าวของเราเรามาปรับปรุงพวกเรานี่สีให้พอเป็นไปอย่างน้อยที่สุดเงินพวกนั้นไม่ต้องเข้ามาเอาอันนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขให้พอเป็นไปเนี่ยมันก็ดีแล้วให้คนมีสมรรถภาพจะได้สร้างสรร์เพิ่มเติมขึ้นอีกมาสร้างสรร์เพิ่มเติมนั้งอยู่ไในนี้เหมือนกับประเทศคอมมอนิสต์ที่เขาทําปิดประเทศซะก่อน แล้วก็พยายามพัฒนาของเราให้อุดมสมบูรณ์นี่ก็ไปพัฒนากู้หนี้ยืมสินไปเป็นทาสวัฒนธรรมอะไรเข้ามาเรื่อยไปเมื่อใดมันจะจบจะสิน้นไม่จบให้สิ้นหรอกไม่มีทางจบสิน้นธรรมามองไม่เห็นที่จะจบสิ้นเลยแล้วไปต่อรองเขาอยู่บัทโธเขาจะยอมพุนเหรอเพราะเขาไม่ใช่พระอริยะนะเขาไม่ใช่นะธรรมาเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่พระอริยะที่จะเสียสละจริงธรรมาไม่เชื่อไม่เชื่อ เขาจะต้องใช้เชิงกลอะไรอะไรของเขาอยู่ที่เขาจะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเขาจะยอมอะไรง่ายๆไม่ต่อรองให้ยากทําไมมันแพ้วันยังคําอยู่แล้วแบบนั้นเชิงกลอย่างนั้นอย่าไปต่อรองเขาไม่ยอมหรอกเพราะนั้นอย่าไปต่อรองเลยมาทําของเราให้ดีแล้วเราให้เขานั่นแหละดีมันต้องมาคิดทิศทางนี้นะทิศทางนี้ว่าเราต้องอุดมสมบูรณ์เราจะต้องเป็นผู้ที่ ช่วยเหลือเฟื่องฟล์เขาได้ไม่ใช่ไปพึ่งเขาไม่ใช่ไปแต่เด็งแหมก็ต้องช่วยฉันนะพี่ต้องช่วยฉันนะก็เป็นพี่ซะเองเลยให้มันได้ชัดๆเรื่องอะไรจะเป็นงอๆอย่างนั้นนี่มันต้องเข้าใจาจุดนี้ให้จริงนะถ้าไม่เข้าใจาจุดนี้ก็ตลอดการตลอดชาตนะิมันไปไม่ได้ทีนี้เราเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่อยู่มีความรู้เป็นอะไรแต่างๆนาน า, นาไปรับความเป็นทาสเขามาแต่ก่อนแล้ว เสร็จแล้วก็ตัวเองมีเปรียบเพราะมีผลประโยชน์ถ้าติดต่อกับทางโ น, น้นทงอะไรตัวเองเนี่ยเป็นตัวต้นทางที่ได้รับมาก่อนแล้วก็กรองเอาเข้ากระเป๋าตัวเอาเข้าลาบยศสันเซินของตัวเองอะไรเองพวกข้างล่างเนะ่ชังเถอะประเทศไทยใครๆแต่ปากพูดกันว่าจะช่วยก็ส่วนเศษเท่านั้นที่ช่วยส่วนหัวกะทิฉันเอาเนี่มันแก้ไขไม่ตกตัวนี้เพราะคนมันไรสมรรถภาพคนมันไม่มีจริยธรรม คนมันไม่จริงจังคนมันไม่เสียสละจริงมันต้องทําคนให้เป็นผู้บริหารที่จนจนได้จริงๆเป็นผู้บริหารที่ไม่ร่าไม่รวยไม่เสพไม่ฟุ้งเฟ้อจริงๆถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ตราบใดแก้ปัญหาไม่ตกเป็นหนี้กันอยู่ตลอดนานับกับการจะส่งไปเรียนนอกไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนรั่วได้มากมากๆไม่มีทางขอยืนยันไม่มีทางก่อนจะออกไปเรียนนอกก่อนจะอะไรต่อใดต้อง สอบผ่านจะได้ทำให้ได้เจ็ดสิบซะก่อนว่าคุณมีกิเลสลดจริงๆไม่โลภ ไ, ไม่โกรธมากมายจริงๆเมื่อ น, นั้นให้มาทํางานให้แก่ศาสนาโอ้ยม า, มาทํางานให้แก่ประเทศคุณจะไปเรียนเอาความรู้มามากๆอีกไปเลยถ้าคุณเองสอบผ่านว่าคุณมีกิเลสโลบนี่น้อยแล้วจริงๆต้องประพฤติปฏิบัติได้ไปเรียนถ้าไม่แล้วเท่ากับไปเอาเชื่อโรค ก, กลับมาในเมืองไทยไปเอาความเป็น เป็นพิษเป็นภัยเราจะต้องเป็นไม้เป็นมือของเขาเพราะตัวเองจะต้องติดต่อกับเขาได้ตัวเองก็จะจะได้ก่อนตัวเองก็จะไม่ทิ้งมาให้ประชาชนไม่รู้อาตมาพูดว่าอาตมาพูดมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเก่งตอนนี้รู้สึกว่าพูดยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันมีซับซ้อนพวกนี้ลึกละเอียดอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงมาจะสนับสนุนส่งเสริมให้ไปเรียนก็เป๊ะเป็นบริวารเขาไปเป็น เชื่ออะไรเขามามากมายจนเกินการมันก็จะไม่เข้าท่ามันจะไม่เข้าท่าจริงจริงเพราะฉะนั้นประเทศบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุน่นประเทศอเมริกามีทุนให้เรียนฟรีเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องมีข้อแม้ด้วยคุณเรียนจบแล้วคุณก็มาเลยและเป็นไงก็ไปนิยมเทคนิคของเขา้าไปนิยมวัฒนธรรมของเข้าไปนั้นเท่ากับลากจูงเอาเชื่อ น, น, นั้นมาให้แก่ประเทศแม้อย่างน้อยที่สุดก็ไปธาตุวัฒนธรรมธาต ถ้าสมมติเราไปเรียนทางวิศวะก็จะต้องไปรู้เครื่องกลเครื่องมือวิศวะเขาเขามานี่ก็มาเสนอเสร็จแล้วก็เป็นเซล์แมนให้แก่ประเทศเขาโดยที่เขาไม่ต้องจ้างเป็นเซลแมนก็จะค้าเอาหนะ้าสองเอาไว้นนะเพราะประเทศนี้ดีผมรู้ดีก็ผมรู้ดีผมก็เป็นผู้ที่จะได้ส่วนสั่งผมจะได้เป็นคนสั่งผมจะได้เป็นเจ้าเป็นนายผมจะได้มีอำนาจผมจะได้ควบคุมดูแลทั้งมีทั้งลาบทั้งยศอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยมันซ้อนนะมันซ้อนมากนะ อย่างนี้เป็นต้นแม่ก็จะบอกว่าเออให้คุณเนี่ยให้ทุนเท่านี้เท่านั้นนี่<ๆ>ไปเรียนนะไม่ต้องใช้หนี้ไม่ต้องอะไรเลยเสร็จแล้วคุณก็มาทํางานบ้านเมืองคุณได้สบายๆนะมันก็ได้อะไรอยู่นั่นแหละเรื่องของเรื่อง อ, อย่างนี้เป็นต้นมันไม่จริงใจนะเขาจะมีจิตวิทย า, าทํำยังไงเขาจะสอนแล้วก็จะต้องให้รู้สึกว่าแหมรู้บุญรู้คุณของเขาเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นเซลแมนเซลแมนทางทั้งวัตถุทั้งวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาให้แก่เขา อย่างนี้เป็นต้นอาตมาพูดแล้วมันมายุ่งใหญ่ให้พวกคุณโกรธกับประเทศอื่นๆเหมือนยุ่งใหญ่ให้โกรธแต่ไม่ใช่เราอาตมาขอยืนยันอาตมาพูดสัจธรรมว่าเราจะต้องเตรียมตนพัฒนาตนนี้ก่อนแล้วทําของเราให้สมบูรณ์ให้ดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้อัตติอัตโนโนาโถพระพุทธเจา้าท่านสอนมานานสองพันกว่าปีแล้วอัตติอัตโนนาโถพึ่งตนให้ได้พึ่งตนแล้วผู้อื่นมาพึ่งเราได้ พึ่งตนแล้วไม่ใช่ว่าเราเองเราพึ่งตนประเภทแบบรุสีหนีหลบไม่ได้เรื่องในราวไรคุณค่าไม่ใช่เราพึ่งตนได้แล้วยังจะสร้างสรรค์เกื้อกูลทุกคนก็อุดมสมบูรณ์สบายแล้วเหลือเฟือออกแผ่เอาไปต่างประเทศอีกช่วยเหลือเกื้อกูลเขาของเราจะไม่ขายไม่เป็นการทูตให้แก่คนอื่นอย่างประเภทโลกโๆจะจงได้เปรียบไหม มาเลยมาติดต่อเขานะั่นแหละจะสมสารก็มาติดต่อ ก, กับเราแล้วเราก็จะเกื้อกูลเขาไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปเป็นทูตการค้าการแค่อะไรเลยเขาจะวิ่งหน้าตั้งมาหาเราเองถ้าเราเป็นคนที่มีความจริงใจและเอื้อเฟื้อเกื้อกู ล, กลโอบอ้อมอารีเขาจะมาไหว้เราถึงตักมาไหว้เราถึงเท้าจริงๆคุณอุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่และคุณมีจิตใจอย่างนั้นจริงหรือไม่ ถ้าคุณอุดมสมบูรณ์จริงแล้วมีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อคุณคนอื่นๆได้จริงนะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมารุกดานไม่มีวัตถุโอ้ไม่มีอาวุธเลยแม้แต่ปืนส ก, ก๊ะบอกก็ไม่ต้องกลัวอาตมาเชื่อมั่นในคุณธรรมมนุษย์ว่ามันยิ่งใหญ่ถ้าคุณมีคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ชาติเดื่นเขาก็มีความรู้ไม่ใช่เขาโง่ว่าเขาไม่รู้จักว่าคุณงามความดีคืออะไรมันยิ่งใหญ่กว่าอาวุธมันยิ่งใหญ่กว่าขีปนาวุธจริงๆ ข้อสำคัญพวกเราให้มันอุดมสมบูรณ์เมืองเราเมืองอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันจะไม่มีอะไรกินอะไรใช้ของเรามีหมดเลยแม้แนตะ่พลังงานระดับน้ํามันก็มีถ้เป็นประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจได้โดยทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไม่จําเป็นจะต้องเป็นมหาอำนาจแบบต้องมีอาวุธไม่ต้องเลยสร้างสรรค์ญญให้อุดมสมบูรณ์เถ อ, อะมีเท่าไหร่ก็แจกจ่าเจือจา่าครับจะยิ่งใหญ่ยาว่าแต่ในเขตแคว้นของเอเชียเลยแม้แต่ในโลกประเทศที่เขาเดือดร้อนมาอีกเยอะจ้ะ เขาทําอะไรก็ไม่เป็นเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแต่อีกกี่ปีกี่เดือนไม่รู้เราก็ต้องเริ่มต้นกันไปและให้เข้าใจทิศทางอย่างที่กล่าวนี้ก็คิดว่าได้สาธยายอะไรมาพอสมควรแก่เวลานะเพราฉนั้นก็พวกพวกเราก็พยายามภาคเพียนอัตมาบอกแล้วว่าอย่าไปติดแป้นอย่าไปแช่เฉยถ้าเรารูพยายามศึกษาภาคเพียนปฏิบัติประพฤติไอรู้ๆอยู่แล้วก็เสริมขึ้นไปแล้วก็พยายามมันอยู่ที่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วช้าๆมันก็ไปไม่รอดนะ เอาละสำหรับวันนี้สมควรเก็บเวลาและพอ